บทที่หนึ่งร้อยหกทำไมกลับมาเร็วนักล่ะนายทหารไม่ได้ความหรอเสียงตาพรานเท่ากระซิบถามมาเบาๆจากท่าที่ยังนอนทำเป็นหลับอยู่ชยันถอนใจเฮือไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นยกมือขึ้นโบกปัดไปทางบุญคำเชิงให้แกสงบปากเสียงเพราะสังเกตเห็นมาเรียค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังท่อนก้อนหิน มองจับตาอยู่อย่างสงสัยแล้วเดินกลับไปล้มตัวนอนอย่างที่นอนของเขารู้สึกตัวเบาหงงเวงและง่วงจัดขึ้นมาในทันทีไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็หลับไปอย่างโปรงอารมณ์รพินไพร์วันสามารถฝึกประสาทตั้งเวลาสำหรับการหลับและตื่นของเขาอย่างแม่นยำสำหรับเวรของเขาเป็นเวรสุดท้าย สามชั่วโมงก่อนสว่างพรานใหญ่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก่อนหน้าเวลาเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ผลักเวรมาปลุกในท่าที่ยังนอนหงายกอดอกอยู่นั้นเขาค่อยๆเสยปีกหมวกที่ใช้คลุมใบหน้าออกไปพร้อมกับม่านตาที่เปิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่แลไปพบทำให้ต้องลืมตาโพล่งจ้องนิ่ง ดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วเป็นประกายลึกอยู่ในแสงไฟซึ่งสุ่มอยู่ทางด้านปลายเทา้ารัศมีไฟอันลุกวอมรัศมีไฟอันลุกอยู่วอมแวมสาจับใบหน้าสีแดงนั้นแลเป็นมันละเลื่อมราวกับภาพปัน่นเจ้าของดวงตายืนตระ ง, งานห่างจากปลายเท้าของเขาออกไปประมาณสามวาโดยมีกองไฟกั้นอยู่ ระหว่างที่เขายังจ้องตะลึงประหลาดใจริมผีปากเป็นมุมได้ส่วนสัตว์งามบนใบหน้านั้นก็แย้มสยายออกจนเห็นไรฟันเป็นระเบียบรอบด้านคือความเงียบและความหนาวเย็นจับใจเดือนขึ้นสิบเอ็ดค่ำคงจะรับสันเขาไปนานแล้วได้ยินแต่เสียงน้ำค้างที่หยดลงกระทบใบไม้อยู่เปาะ และเสียงไฟที่ประทุเบาๆในกองทุกขนทุกแห่งมืดมิดไฟหลายกองดับโซมลงคงมีแต่กองไฟด้านปลายเท้าของเขาเท่านั้นที่ยังลุกอยู่ตาต่อตาประสานกันนิ่งอยู่เช่นนั้นนานเท่านานไม่มีไฟหนึ่งไฟใดเคลื่อนไหวติงกาย ใจใหญ่ต่อมาจอมพรานค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งร่างสูงใหญ่ก้มศีสะลงเล็กน้อยเหมือนจะเป็นการคาระวะแง่าสายรพินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำจ้องขมิงไม่เปลี่ยนสายตาจะลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็เข้ามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมลุกขึ้นมาได้เพราะการตกเป็นหนี้ชีวิตของทุกคน แล้ได้มายืนอยุดตรงนี้ก่อนผู้กองจะตื่นขึ้นมาสักครู่ใหญ่แล้วสำเนียงกังวานลึกผ่านออกมาจากลําคออันอวบใหญ่จอมพรันเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งอย่างขัดลึกในใจเช่นไรบอกไม่ถูกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเจ้ากระเรียงพระเนจรผู้ลึกลับสุภาพอ่อนโยนและเจรจากับเขาในรูปสำนวนที่ไพเราะแฝงความในลึกซึ้ง ทิ้งเป็นปมปริศนาให้ต้องคิดอยู่เสมอนี่เป็นลักษณะที่ดูจะผิดไปจากชาวโดงสามันเท่าที่เห็นอยู่ในพื้นฐานเบื้องนอกและข้อนี้แหละที่สร้างความอึดอัดไม่สะดวกใจให้แก่เขามาตลอดพฤติการก็เช่นกันดูเถอะเมื่อตอนกลางวันอยู่ในภาวะตายไปแล้วกว่าครึ่งตัวตอนหัวค่ำก็หลับอย่างไม่กระดุกกระดิกครันคอนไปในยามใกล้รุ่ง ท่ามกลางความเงียบสงัดราศจากความรู้เห็นของใครทั้งมวลอยู่ไม่อยู่เพราะเขาลืมตาขึ้นมาก็พบไอ้เสือนี่มายืนยิ้มจ้องตาเป่งอยู่ก่อนแล้วผู้ร่วมคณะทั้งหมดก็ใครบ้างเล่าที่จะพบเห็นกับความลึกลับชวนให้สะดุ้งคิดอยู่ตลอดเวลาของหนุ่มชาวโดงคนนี้เหมือนเช่นรพินไครวันคนพบแม้กระทั่งหมอดารินเอง แกทำให้ชุนต้องปวดหนึบๆนึบอยู่ในสมองตลอดเวลาอาการปวดชนิดนี้มันเริ่มกลับมาเป็นของชั้นในทันทีที่แกกลับคืนมาเป็นตัวของไอ้คนดงนามว่าไงาสรายพรานใหญ่ว่าพร้อมกับหัวรอกนี่สิ่งแรกที่แกควรจะตอบชั้นก็คือแกหายดีแล้วเหรอผมเป็นปกติเรียบร้อยดีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนแล้วล่ะครับผูก้กออรพินคราง พยักหน้าช้าๆเอามือรูปคางพินิษ์ดูเรือนร่างราวกับ น, นักรบโรมันนั้นตั้งแต่สีสะัะลงมาจรดปลายเท้านล้นในระหว่างที่ฉันหลับก็มายืนจ้องมองฉันอยู่ทําไมเงยสายยิ้มกว้างออกไปอีกผมทราบวพาะเวลานีนะ้เป็นยามของผู้กองครับอีกสักครู่หนึ่งผู้กองจะต้องตื่นขึ้นมาผมก็มายืนคอยอยู่ จะปลุกก่อนเวลาก็เห็นว่าไม่สมควรก็เลยคอยให้ผู้กองตื่นขึ้นมาเองเขาครางอีกครั้งดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่แกไม่รู้สักอย่างเดียวแต่พระ่าฉันไม่ชอบเลยในตอนที่ฉันหลับสนิทอยู่แล้วมีแกมายืนจ้องเงียบๆอยู่แบบนี้เงาสายสันสีสะแช่มช้าผมไม่ได้รู้อะไรไปหมดทุกอย่างหรอกครับผู้ ก, กองอย่างน้อยที่สุด ผมเข้ามาหยุดยืนรอคอยผู้กองอยู่ที่นี่ผมก็คเนไม่ถูกว่าผู้กองหลับอยู่หรือว่าตื่นแล้วภายใต้อาการที่นอนสงบนิ่งผู้กองอาจรู้สึกตัวนานแล้วก็ได้ระพินจุปากเบ า, บาๆกวาดตาไปรอบๆ บ, บริเวณที่พักเว้นสุดท้ายก่อนที่จะผลัดมาถึงเขาเป็นเวรของเชษฐาแต่ขณะนี้ ไม่ปรากฏเงาของราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะอยู่ยังที่ใดเหลือไปอีกทีหนึ่งก็เห็นบริเวณที่พักนอนของกลุ่มนายจ้างมีเงาเรียงรายกันอยู่สี่คนนั่นแสดงว่าเชษฐาคงเข้านอนแล้วส่วนที่กองไฟด้านซ้ายมืออันกำลังจะหรีหมอดขยินอันเป็นฝ่ายพรานพื้นเมืองที่รับเวรคู่กับเชษฐานั่งสัประโ ก, กอดปืนอยู่ในซอกก้อนหิน มีกระสอบป่านคลุมหัวอยู่ลักษณะของมันเข้าพวังเผลอตัวก็ตื่นขึ้นมาทําไมเดี๋ยวนี้ล่ะแง่สายความจริงแกไม่มีหน้าที่ภาระอะไรในคืนนี้เลยนะและในฐานะที่แกยังเป็นคนป่วยอยู่ถึงแม้จะรู้สึกหายดีแล้วแกก็ควรจะนอนพักผ่อนต่อไปเจ้าคนดงพเนจรหัวรอดเสียงทุม้มเริ่มเคลื่อนไหวตัวจากการยืนปักหลักราวกระเสาหิน เดินอ้อมกองไฟตรงเข้ามาที่เขาอย่างเช่มช้าอีกว่าเศษจะถึงตัวก็ซุดกายลงนั่งขัดสมาธตรงหน้าหยิบพื้นที่กำลังมอดลามออกมาดับอยู่นอกกองสุ่มกายเข้าไปในกองไฟตามเดิมปากก็พูดเรียบเรียบมาว่าก็อย่างที่ผมบอกผู้กองนะไงครับผมรู้สึกตัวว่าปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งตอนเที่ยงคืน ตอนนั้นเจ้านาย ท, ท, ทุกคนตื่นพร้อมหน้ายกเว้นผู้กองคนเดียวผมได้รับการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหลายโดยตลอดจากคณะเจ้านายและจากคนของผู้กองตลอดจนขยินและสางปลาได้ทราบว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวผมและผมเป็นเหตุแห่งความยุ่งยากเช่นไรบ้างนง่สายเว้นระยะหันมายิ้มให้กับเขาซึ่งกาลังจ้องจับอาการอยู่ทุกอิริยาบถ พางกล่าวต่อไปว่าผมได้รับคำสั่งจากนายหญิงและนายทุกคนให้นอนพักต่อไปแต่ผมนอนมามากแล้วผมนอนตามคำสั่งนั้นแต่ไม่หลับผมสังเกตเห็นนายใหญ่ลุกขึ้นเฝ้ายามคู่กับขยินต่อมานายใหญ่ก็ให้ขยินเฝ้าคนเดียวแล้วขยินก็นั่งหลับไปอีกคนนึงผมเห็นว่านายปางพักของเราหนาะหลับกันหมดผมก็เลยลุกขึ้นมา ระพินแลไปทางขยินอีกครั้งหัวของมันซบวางอยู่กับเข่าอันตั้งชันทั้งสองแล้วขยินรู้หรือเปล่าว่าเจ้าคนเจ็บที่เพิ่งจะฟื้นจากอาการจะตายไม่ตายแหล่ลุกขึ้นมาเดินเพ่นผ่านรอรอปางพักขยินแม้จะเผลอหลับก็อาจได้ยินแม้แต่เสียงมดเดินแงาสายพูดเปรเย์อมยิ้มอยู่ในทีใช่จอมพรานกระแทกเสียงหนัก เสียงมดเดินน่ะขยินก็ได้ยินแต่ถ้าเป็นเสียงของเจ้าคนที่ชื่อแงซายเดินแล้วก็ฉันยังสงสัยอยู่แต่บอกให้มันรู้หรือเปล่าว่าแกลุกขึ้นมาผมไม่ชอบปลุกคนที่กำลังหลับถ้าไม่จำเป็นพระพินหัวร้อหืมในลำคออีกครั้งขยับบิดกายอย่างเมื่อยครบถูกละเขานึกไว้ไม่มีผิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลย ในการที่เจ้าแง่ทรายลุกขึ้นมาเดินเพ่นพ่านไปตลอดทั้งแคมป์ในระหว่างที่ทุกคนหลับสนิทพิจารณาดูตามสีหน้าแววตาและลักษณะท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเป็นตัวแง่ทรายครบถ้วนบริบูรณ์ที่สุดราวกับว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแววตาที่กระจ่างใสเป็นประกายซ่อนบางสิ่งบางอย่างเรนลึกยิ้มที่มักจะเปิดกว้างออกไปจนเห็นฟันขาว จะและอ้ทีก็เป็นยิ้มบริสุทธิ์เยี่ยงทารกอย่างที่หมอดารินว่าหรือมิฉะนั้นก็เป็นยิ้มที่กอบไปด้วยเลสนัยยาะหยันอย่างที่เขาคิดระแวงแครงใจอยู่ทุกขณะและการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยอาการสำรวมภาวาว่องไวปราดเปรียวเยี่ยงสิงหนุ่มร่างกายก็ดูบึกบืนแข็งแรงทอรหดเต็มไปด้วยพลังกาลังเหมือนเดิม และก่อนที่เขาจะเ อ, อ่ยอะไรต่อไปอีกนั่นเองแงสายก็สุมไฟในกองนั้นจนลุกสว่างโชดแล้วก็เดินพระออกไปจัดการเพิ่มฟืนเข้าไปในกองไฟอื่นๆอีกทุกกองที่กำลังรีโรยโลงให้สว่างสวัยขึ้นตามเดิมเป็นกิริยาอาการปกติอันพึงปฏิบัติของคนใช้ประจำคณะซึ่งไม่เคยบกพร่องระพินนั่งมองเงียบๆอยู่อึดใจหนึ่ง ก็คว้าไร่เฟินประจำตัวเดินตรงเข้าไปที่ขยินซึ่งกำลังนั่งสับประงกอยู่ถีบคลุมเข้าไปเบาๆเจ้ากระเรียงลมช้างล้มลงไปนอนตะแคงปะรีตะเหลือกตื่นขึ้นมาทันทีอย่างตกใจพอมองเห็นพรานใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าก็ยิ้มแย่ๆยกมือขึ้นขยี้ตารีบพรวดพราดลุกขึ้นโดยเร็วอ๋อนายนายยินนึกว่าถูกช้างมันถีบซี ในายใหญ่ไปไหนเสรแล้วล่ะเนี่ยเขาแกล้งถามขยินหน้าตื่นเลือกลักหันไปมองทางที่นอนของนายจ้างเอ๊ะก็นอนไม่ใช่หรือนายนายใหญ่สั่งให้ขยินเฝ้ายามนายใหญ่บอกว่าจะไปนอนนั่นไงนอนอยู่นั่นไงพูดพลางมันก็ชี้มือไปยังเงาตะคุ่มของคณะนายจ้างที่นอนเรียงกันอยู่สี่คนเจ้าหลับยาม เสือมันย่องเข้ามาคาบองแสายไปแล้วขยินสะดุ้งอยู่กระโดดลุกขึ้นยืนทันทีร้องลั่นออกมาอย่างตกใจแต่แล้วก็มองไปเห็นร่างตะคุ่มของจอมพนเนจรกําลังขนฟืนเข้าใส่กองไฟอยู่ก็จ้องคำหมิงยิ้มออกมาได้โธนายทำเอาขายินใจหายหมดไอ้แง้ส า, ายเดินทอมทอมอยู่นั่นไงแต่เออขยินเห็นมันนอนสมนิ่งอยู่แท้ มันลุกขึ้นมาเดินตอนนี้ตอนไหนนี่ไม่รู้สึกตัวเลยจอมพลานครงศีสั์ช้าๆก่อนในระหว่างอยู่ยามถ้าเจ้าขืนเผลอหลับตัวแบบนี้อีกพวกเราอาจตายกันทั้งหมดนะว่าแล้วก็ตบเบาๆไปที่ท้ายทอยของมันไปจะไปนอนได้แล้วอดีตนักเลงโตหล่มชางยิ้มแห้งๆสบดอะไรพึมพำอยู่ในลำคอ ช่วยลูกซองเรมิงตันประจามือเดินตรงไปยังที่นอนก่อนจะถึงที่แวะเข้าไปพูดอะไรกันแงซสายสองสามคำระหว่างที่เจ้านั่นยังง่วนอยู่กับการสุมกองไฟแล้วก็ซุบหัวนอนหลับครอกไปในระยะเวลาอันรวดเร็วระพินสูดอากาศยามใกล้รุง่งลึกเข้าไปในปอดการได้พักผ่อนมาตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6-7 เจชั่วโมงติดต่อกัน โดยไม่มีอะไรมารบกวนทําให้พละกกาลังและความแช่มชื่นเกิดขึ้นเขาจุดบุหรี่สูบ ก, กวาดสายตาสำรวจดูความเป็นไปรอบด้านในบริเวณแคมป์ที่พักนอนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยคืนนี้แม้อากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใดก็ตามแต่หมอกไม่ลงจัดเหมือนทุกคืนจอมพรานเดินเกรตรวจไปชาๆจนกระทั่งมาหยุดยืนประจันหน้ากับแง่ทรายอีกครั้ง ขณะที่เจ้ากระเหรี่ยงพระเนจรกำลังสมไฟอยู่ที่กองสุดท้ายริมทางขึ้นด้านนอกสุดอันเป็นที่ยึดนอนของสางปลาผู้ชอบแยกตัวออกมานอนโดดเดี่ยวตามลำพังโดยไม่ร่วมกับใครตาต่อตาแลศกันอีกครั้งความหมายในการมองกันและกันมันมีมากเกินกว่าที่จะเอ่ยเป็นวาจาจะไปนอนพักได้แล้วละแง่ใส ในที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนผมนอนมากว่าสิบสองชั่วโมงแล้วถ้าไม่เป็นคําสั่งที่เฉียบขาดเกินไปนักเว้นระยะนิดหนึ่งพร้อมกับยิ้มที่มุมปากแงซ า, ายอยากจะอยู่เวรคู่กับพรานใหญ่จะได้รับใช้อะไรเล็กๆน้อยๆด้วยดีเหมือนกันแต จ, จากฉันไปนานนานจนฉันคิดถึงบางทีเราอาจมีเรื่องต้องคุยกันมาก กล่าวจบรบพินก้มลงช่วยบราวนิง FM. 3 7 5มเมซึ่งวางอยู่ข้างๆตัวของสางปาขึ้นมาถือไว้ไรเฟิลกระบอกนี้แต่เดิมทีก่อนออกจากหลุมช้างคณะนายจ้างกำหนดให้เป็นอาวุธประจำมือของแง่ทรายนั่นเองแต่แล้วก็มีการสับเปลี่ยนมาให้สางปาใช้เมื่อคราวมรณกรรมของดอกเตอร์ฮอฟมันและแง่ทรายได้รับคาสั่งให้รับช่วงเวเทอร์บีจุด 460ของนักสำรวจเยอรมันแผนระพิงจ้องหน้าอดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงอยู่อึดใ จ, จและหนยไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้าเขาผลักโจนไรเฟิลกระบอกนั้นมาให้อย่างรวดเร็วโดวยอาการอันฉับไวเท่าทันกันไงาสายฉากหลบก่อนที่เหล็กผสมไม้ทั้งท่อนจะประทานหน้าตาแหกไปแล้วคว้าไว้ได้เหมือนไม้ท่อนเล็กๆยิ้มพรยปืนของแก พลานใหญ่บอกเอาคืนไปปืนของนายหญิงมอให้ผมใช้ตั้งแต่เราออกจากหลุมชา้างแงใสยพุ่มพันธุ์ดอกไรเฟิลช้าๆในมือทั้งสองตายังประสานเขานิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เท่าที่ผมจำได้ผู้กองเปลี่ยนให้ผมใช้กระบอกโตของนายขาเหลืองแทนและเอาเปืนกระบอกนี้ให้สางปานี่ครับกระพินยิ้มแค่น ก็ระหว่างที่แกหนีหายจากคณะของเราไปอ่ะแต่ระหว่างการติดตามตัวแกก็เกิดอุปัติเหตุขึ้นกับนายใหญ่ปืนที่ในายใหญ่ถือประจำมืออยู่พังใช้การไม่ได้ในายใหญ่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปืนของนายขาวเหลืองที่แกเคยใช้อยู่เดิมแทนขณะนี้ปืนประจำมือของพวกเราขาดจํานวนไปหนึ่งกระบอกเมื่อแกกลับคืนมาถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีความจาเป็นอย่างใดที่ผมจะต้องใช้ปืน ให้สางปาใช้ปืนของนายหญิงกระบอกนี้ต่อไปเถอะครับสําหรับผมไม่ต้องมีปืนก็ได้จะได้แบกหานถนัดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งสันสีสั่งไม่ได้หรอกพวกเราทั้งหมดจะมีสิบสองคนปืนยาวสิบเอ็ดกระบอกเพราะฉะนั้นหนึ่งในจํานวนสิบสองคนที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ปืนจะต้องเป็นคนที่ใช้ปืนได้เร็วที่สุดและแกก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่ในข่ายยกเว้นนั้น สำหรับสั่งปลานะ่ะมันถนัดที่จะสะพายบ้องกัญชาของมันมากกว่าจะสะพายปืนและมันก็คงจะดีใจละที่จะคืนปืนกระบอกนี้ให้กแกถ้าเป็นคำสั่งของผู้กองผมก็จำเป็นต้องรับปฏิบัติครับดีมากหน้าที่พิเศษอีกชนิดหนึ่งของแกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกจะต้องให้การพิทักษ์คุ้มครองสังปาด้วยเพราะมันไม่มีปืน และแกก็คงจะรู้แล้วกระมังว่าชีวิตของแกรอดมาได้ก็เพราะสังตานะลิงแง่สายก้มศรีรษะลงครับผู้กองผมทราบครับว่าชีวิตของผมตกเป็นหนี้ของทุกคนเช่นไรบ้างรวมทั้งผู้กองอันเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการกู้ชีวิตผมไว้ครั้งนี้ด้วยสักวันหนึ่งแง่สายคงมีโอกาสทดแทนบุญคุณอย่างสาสมครับด้วยการหักหลังใช่ไหม เราจะรู้กันเมื่อเวลานั้นมาถึงครับกระพินร้อนวูบที่หน้าตาลุกวาวขึ้นแต่แล้วอารมณ์อันแจ่มใสของบรรยากาศใกล้รุ่งก็ช่วยเขาไว้ได้เป็นอย่างมากเปลี่ยนมาเป็นหัวเราะเย็นอยู่ในลำคอเ่ยซายไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นพูดออกไปในแบบเรียบๆเยบฉยๆเหมือนจะเป็นประโยคสามัญธรรมดาที่สุดแล้วก้มลงมองดูไรเฟิลในมือ เปิดลูกเลื่อนออกเบาๆในที่สุดก็กระตุกลูกเลื่อนออกมาทั้งแท่งต่อมาก็ปลดล็อกคลายสปริงของแหนบแม็กกาซีนออกมาทั้งอันช่วยเขาดูแสดงให้เห็นว่าปืนกระบอกนั้นในความครอบครองของสั่งปาไม่ได้มีกระสุนบรรจุอยู่เลยคงเนื่องมาจากยิงไปจนหมดแม็กกาซีนตอนที่ประทะกับโขลงไดโนเทเรียมเมื่อย่ำคานี้หรเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้ว ก็ไม่ได้สนใจตรวจดูปืนหรือบรรจุลูกเตรียมพร้อมไว้อีกเลยกระพินเห็นข้าวก็ขมวดคิ้วจุ๊ปากเบาๆความรู้สึกของเขายามนี้อยากจะเตะเจ้าตองสูให้สักป้าทั้งๆที่มันยังนอนหลับกรนฟรีอยู่จะเห็นแล้วใช่ไหมสังปาเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องปืนให้มันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาพูดเสียงขุนขุ ยกมือขึ้นขยี้จมูกแล้วกล่าวต่อมาโดยเร็วว่าค้นลูกเอาที่ย่างของมันแล้วกันแล้วก็บัรจุให้พร้อมชสั่งเสร็จก็หันหลังเดินผ่ะไปนั่งที่โขดหินก้อนหนึ่งเอาไฟฉายส่องกราด่าสายหมอกบางๆตรวจลงไปยังความมืดทมึนของราวป่าเมืองล่างชำเลืองด้วยหางตาเห็นไงานสายไปง่วนอยู่ที่ร้านย่างเนื้อซึ่งขณะนี้กาลังติดไฟลุกโชดช่วง ต่อมาอีกครู่หนึ่งองครักษ์ประจำตัวของดารินก็เดินตรงมาที่เขามือนึงถือถ้วยพลาสติกบรรจุซุปเนื้อสันที่เคี่ยวไว้ในปล้องไม้ไผ่กินเหลือกันไว้แต่เมื่อเย็นส่งควันกรุ่นหอมหวนอีกมือนึงถือเนื้อย่างพอมาถึงก็ซุดตัวลงนั่งตรงหน้าก้อนหินต่ำลงไปส่งถ้วยซุปให้เขานี่แกอ่านใจฉันออกไปหมดซะทุกอย่างทีเดียวนะ ยิ่งกว่าคนของฉันเองซะอีกระพินเอื้อมมือไปรับเฉันกำลังต้องการอยู่ทีเดียวทั้งสองเงียบกันไปขณะหนึ่งในระหว่างที่รพินจิบซุปในถ้วยและเงยสายแทะเนื้อย่างก้อนโตในมือเคี้ยวช้าๆเสียงไก่ปาขันเย็นเยือกมาตามลมรุ่งนานๆครั้งจะได้ยินเสียงคำรนของพยักร์าร้สะท้อนก้องมาจัดหลังเขา ในระหว่างหุบหิน ม, มันเป็นคืนอันปกติสุดต่าเป็นไปตามธรรมชาติสามัญโดยปราศจากซึ่งโภยภัยพยันตรายใดๆทั้งสิ้นที่จะแผ่พานเข้ามาใกล้ผมสีใจครับที่ทำให้ผู้กองและทุกคนต้องลำบากยุ่งยากเพราะผมคันแล้วเสียงเห้าก็กังวานออกมาจากจอมพเนจร ครั้งแรกฉันและพวกเราทุกคนก็คิดเสียใจเช่นนั้นเหมือนกันะเมื่อรู้สึกว่าแกเป็นต้นเหตุระพินไพรวันกล่าวอย่างอารมณ์ดีแต่ภายหลังเมื่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างได้แสดงตัวขัดขึ้นพวกเราไม่มีใครโทษแกเลยนะแม้แต่ฉันเองผู้ซึ่งไม่ค่อยจะชอบหน้าแกนักแกรู้เรื่องตลอดเวลาแล้วเหรอว่าระยะเวลาถึงสิบสองวันที่แกวิปริตลืมตัวไปนั้นได้เกิดอะไรขึ้น กับพวกเราบ้างครับผู้กองผมทราบนะครับเดวยวการบอกเล่าของหลายคนผมทราบถึงเรื่องราวของนิรานครอันอัศจรรย์เรื่องของนางพยาพันธุมวดีปุโรหิตมันไรและขุนพลวรมัมซึ่งเข้าสิงในร่างกายผมชักพาพวกเราทั้งคณะให้ไปสู่ความยุ่งยากทั้งหลายเงยสายถอนใจยาวดวงตาทั้งคู่เบิกสว่างพง ยังออกไปยังความมืดเบื้องนอกยังปราศจากความหมายพึงพันต่อมาว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากสัญจ ร, รมากนะครับแทบจะเชื่อใช่ไหมได้ถ้าไม่ใช่เพราะทุกคนยืนยันกับผมระยะเวลานั้นผมตายไปชั่วขณะตายไปจากการรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งมวลโดยสิ้นเชิงผมจำเหตุการณ์ได้แต่เพียงวันที่ผมนอนหลับปกติไปเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากองก่อย แล้วก็มาตื่นขึ้นอีกครั้งที่นี่แล้วก็เปลี่ยนสายตาเป็นประกายสุขใสมาจับอยู่ที่ขาความจริงผู้กองไม่น่าจะเสียเวลาติดตามค้นหาผมจนทำให้ทุกคนต้องลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยเมื่อผมเสียสติบา้าคลั่งไปเช่นนั้นก็ควรจะปล่อยผมไปตามยถากรรมไม่มีใครเขาบอกแกบ้างเลยว่าเหตุใดนถึงต้องติดตามแก จอมพรานย้อนถามมาเงยสายสั่นสีสันใบหน้าอันคมสันนั้นเต็มไปด้วยเข่าฉงนไม่มีใครบอกเหตุผลกับผมในข้อนี้นะครับแต่ที่ผมแน่ใจก็คือคงไม่เกิดขึ้นเพราะเจตนาของผู้กองแน่นอนไม่ใช่เจตนาของฉันแน่กระพินพูดพร้อมกับหัวรอดเสียงกระด้างทันทีที่เราตื่นกันขึ้นมาแล้วพบว่าแกหายไป พร้อมกับไอ้ผีก่องกอยตัวนั้นเราก็คิดกันว่าแกอาจปรีตัวหลบหนีซึ่งเราก็ตัดบัญชีเลิกสนใจกับแกแล้วจะมีก็แต่นายหญิงคนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นห่วงแกต้องการจะตามตัวแกกลับมาให้ได้แต่เหตุผลของเธอเพียงคนเดียวไม่อาจจะน่าเหตุผลของพวกเราส่วนใหญ่ได้เรกพวกเราเตรียมตัวออกเดินทางแต่แล้วก็พบว่าแผนที่เดินทางของเราถูกแก พรมิฉะนั้นก็วิญญาณของวรรมนที่สิงอยู่ในตัวแกนะ่ะขโมยไปซะด้วยเราไม่มีแผนที่เราก็เดินทางต่อไม่ได้แล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าเหตุใดเราถึงต้องออกตามแกในระยะต้นๆซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันคิดว่าแทบจะฆ่าแกสัทีเดียวนะถ้าจับตัวได้เอาละอย่าไปเอ่ยถึงมันอีกเลยแง่า ย, ายเดี๋ยวนี้ฉันรู้แน่นอนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันไม่ได้เปเจตนาหรือแผนการร้ายอะไรของแกหรอกแล้วนอกจากพวกเราทุกคนแล้วฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีอย่างที่สุดที่ได้ตัวแกกลับคืนมาร่วมคณะอีกครั้งอย่างปลอดภัยจะตรวจดูเข้าของส่วนตัวของแกแล้วหรือยังล่ะว่าอยู่ปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าระหว่างที่แกจากไปพวกเราเดินทางโยกย้ายกันอย่างทุลักทุเลสบักสมอมหลายคนหลายฝ่าย ต้องแพทแพา ก, กระจัดกระจายกันออกไปกว่าจะมารวมพบกันได้ต่างก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดสัมภาระกองกลางส่วนใหญ่หนายใหญ่กับพวกเราส่วนหนึ่งเป็นคนหอบไปขิวมาและหลายอย่างตกหล่นสูญหายไปในระหว่างทางสมบัติเข้าของของผมมีอะไรไม่มากนกักครับแงซายตอบอย่างสงบชั่วขนาดหนึง่ง ที่จอมพรานแลเห็นแววแห่งความรักใคร่ทราบซึ้งปรากฏเร้นลึกอยู่ในดวงตาใหญ่งามเต็มไปด้วยแสงแห่งปริศนาคู่นั้นทุกอย่างบรรจุ ร, รวมอยู่ในย่ามของผมและยังอยู่ครบถ้วนขาดหายไปอย่างเดียวเท่านั้นคือคันธนูกับรูปธนูของผมกระพินหัวเราะอย่างขันขันออกมาได้เป็นครั้งแรกเอื้อมมือไปตบไหลอันพืนผ้ากว้างใหญ่ ราวกับพเนจรหล็กนั้นหนักหน่วงอ๋อนี่แกยังอุตส่าห์หวงคิดถึงคันธนูของแกอยู่อีกเลยตอนที่ฉันมาพบกับคณะของนายใหญ่อีกครั้งเน่ะฉันก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าคันธนูของแกนะ่ะมันขาดหายไปเชื่อว่านายใหญ่คงเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกนอกจา ก, ก, กเ ก, า ก, กะกะเลยทิ้งทั้เลยนอกจากเกะกะเลยทั้งสิ้น ฉันเห็นสายธนูของแกกลายมาเป็นเชือกมัดหีบห่อสัมภาระของเราหอหนึ่งมันยังเรียบร้อยดีทุกอย่างส่วนลูกธนูน่ะก้านไม้ของมันฉันมันคนหักทิ้งไปเองละ่ะเหลือไว้แต่ปลายดอกสรทําด้วยโลหะฉันรวมไว้ในถุงย่ามส่วนกลางของเราระเบิดที่ใช้มัดติดกับลูกธนูก็ถอดมารวมไว้ในหีบวัดถุระเบิดแล้วละ่ะดีจริงที่ผู้กองไม่ทิ้งหัวธนูของผมอะ่ะ อดีตร้อยโทกองจนกระเหลียงพึมพำอย่างพอใจแล้วถามว่าเราจะออกเดินทางต่อไปเมื่อไหร่ครับอ่แล้วแกละ่ะคิดว่าพร้อมที่จะเดินทางได้เมื่อไหร่ผมหายเป็นปกติเรียบร้อยและแข็งแรงดีที่สุดแล้วล่ะครับถ้าเป็นความประสงค์ของผู้กองผมก็พร้อมที่จะเดินทางได้แม้แต่ในวินาทีนี้ครับเงยสายพูดหนักแน่นมั่นคงยืดแผงอกขึ้น ดีมากเราต้องการให้แกฟื้นจากเจ็บป่วยและร่วมเดินทางไปได้เร็วที่สุดแต่ถึงจะยังไงก็ตามพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนระเตรียมแผนการกันที่นี่อีกวันเราเหนื่อยสะบักสะบอมกันมามากเหลือเกินนับตั้งแต่แกสูญหายจากเราไปพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พักเอาแรงวันเดินทางแท้จริงคือเช้าตรู่ของวันมรืน คนใช้พิเศษของคณะเดินทางนิ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่แล้วลุกขึ้นยืนสูดลมหายใจลึกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งบัดนี้ท้องฟ้าอันดำมืดด้วยปีกหนาของราตรีกำลังเริ่มปรากฏแสงขาวร่างๆขึ้นสงบนิ่งไปอีกพักใหญ่ก็หันกลับไปทางด้านเหนือดวงตาใช้แสงแวววาวราวกับรัศมีดาวรุ่งและรอยยิ้มยิ้มปรากฏขึ้น ที่ริมฝีปากลักษณะเหมือนคนที่กำลังตกอยู่ในห่วงพวังรำพึงพระพินจับตามองเงียบๆอย่างพินิษแล้วก็ยอมรับอยู่ในใจว่าไอ้หนุ่มพระเนจรผู้ลึกลับคนนี้มีลักษณะอันงามประหลาดนักคานใหญ่ลุกขึ้นเดินตามเข้ามายุดยืนอยู่ใกล้ๆนี่แกรู้ไหมว่าเราจะต้องบายหน้าไปทางทิศนั้น ผมเข้าใจถูกไหมผู้กองเสียงแผ่วเบาดังย้อนมาจากแง่ายซึ่งคงยืนจ้องนิ่งไปทางทิศนั้นด้วยอาการเข้าพาวังเช่นเดิมฉันรู้ว่าแกจะต้องรู้มาก่อนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเข้าใจจอมพเนจรหันมายิ้มอย่างลึกลับยิ้มฉันให้ท่รพินไพรวันไม่ชอบ แล้วก็ชี้มือออกไปอย่างทิศทางซึ่งยืนจ้องอยู่เมื่อครูที่นั่นเราจะไปถึงทันกำหนดเวลาไหมผู้กองที่นั่นเหรอระพินทวนคำจ้องตาขมิงขณะที่เลิกคิ้วขึ้นที่ไหนอ่ะก็เนินเล็กเล็กลูกหนึ่งภายในวงล้อมของทิวพระศิวะไงครับแล้วกำหนดเวลาที่แกเอ่ยถึงเมื่อกี้เนี่ย หมายถึงอะไรวันขึ้นห้าค่ำของเดือนสิบสองครับคำตอบมีมาช้าช้านี่แปลว่าแกรับรู้จากคณะเจ้านายของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าเราจะมุ่งไปยังจุดหมายอะไรภายในเวลาเมื่อไหร่เยซ า, ายหัวเราะเอ่อยในลำคอไม่ตอบหากแต่สุดกายลงนั่งตามเดิม หยิกิ่งไม้เล็กๆที่ไฟกินไม้ไว้ตรงปลายด้านหนึ่งลามเข้ามากว่าครึ่งและในขณะนี้ดับอยู่นอกกองไฟเหลือแต่ส่วนปลายที่เป็นถ่านมาถือไว้ในมือขีดเส้นอะไรลงไปกับพื้นหินโดยอาศัยความดำของถ่านปลายไม้แทนเครื่องเขียนระพินไม่สนใจอะไรนะักกับอาการชนิดนั้นเขาเพียงแต่ยืนสังเกตสีหน้าและอาการกิริยาของแง่าย อย่างใคร่ครวนคณะนายจ้างที่ให้ความเมตตาและไว้วางใจแง่สายมากเกินไปจนถึงกับเปิดเผยถึงแผนการเดินทางเท่าที่หารือกันไว้ให้เจ้านี่ล่วงรู้โดยตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่แง่สายจะต้องรับรู้เลยบางทีถึงใครอื่นไม่บอกก็อาจจะเป็นดารินบอกก็ได้เพราะความที่รักสนิทชิดชอบไว้วางใจเจ้าอุงครักประจตัวเป็นพิเศษออกไป แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหล่อนก็ทำไม่ถูกมันก็น่าจะเป็นความจริงตามที่เขาสงสัยซะด้วยจอมแพรนสรุปข้อคาดคะเนเราเหลือเวลากันอีกไม่นานนักนะครับสำหรับจะไปให้ถึงที่นั่นตามวันเวลานั้นสีแง่ไซายพูดเบาๆต่อมาโดยไม่มองหน้าเขามือก็ยังขีดอะไรช้าๆไปกับมือไปกับพื้นตามเดิม เขาไม่อยากจะย้ำถามให้ตนเองเดือดดานหงุดหงิดเพิ่มขึ้นในข้อที่ว่าแ ง, ง่สายทราบประแคระคายนี้มาจากใครแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเร่งเวลาไปให้ถึงตามกำหนดนั้นให้ได้ทำไมไม่รีบออกเดินทางเชพรุ่งนี้ล่ะมันจะช่วยย่นระยะเวลาเข้าไปอีกแง่สายพูดเปรยๆมากกว่าที่จะดูเป็นการตั้งคำถาม รัพินเริ่มไม่พอใจขึ้นอีกครั้งหัวเราเสียงเป่งแแปลงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะแง่สายฉันสังเกตเห็นแก่มีความกระวนกระวายร้อนใจที่จะให้พวกเราออกเดินทางเร็วที่สุดทั้งทั้งที่ความรู้สึกรืนหน้าที่ชนิดนี้มันควรจะเป็นของคณะนายจ้างของเราหรือมิฉะนั้นก็ตัวฉันเองในฐานะผู้นำทางและรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้กองมักโกรธเมื่อผมแสดงความเห็นแล้วก็โกรธอีกเหมือนกันเมื่อผมไม่แสดงความเห็นท่านอยญ่แยกขี้ออกมาว่าจะทำอารมณ์ให้เย็นที่สุดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องระเบิดออกมาไอ้เปรเก็สะบ ด, ด่าออกมาอย่างอยากจะวัดไปนะซักพางนึงก็อีแบบนี้นะ่ะสิฉันถึงอยากกระทึบแกนักเวลาต้องการให้ออกความเห็นกลับนิ่งไว้ซะ รู้อะไรก็ไม่เคยบอกจนกระทั่งวาระสุดท้ายเกิดกระไตหงได้าหากันหมดทุกคนถึงได้ค่อยๆอ้าปากออกมาส่วนไอ้ที่ไม่ต้องการใจแสดงความอวดรู้ทิกลับอวดรู้ดีซะ น, นี่ฉันรู้ว่าแกต้องการไปให้ถึงที่นั่นโดยเร็วที่สุดวัตถุประสองค์ลี้ลับของแก น, นะมันอยู่ที่นั่นด้วยพวกเราก็ต้องการไปถึงเร็วที่สุดอย่างเดียวกับแกเหมือนกันเพียงแต่ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับการนำของฉันเข้าใจเมื่อฉันบอกว่าเราจะเดินทางวันมารืนก็ต้องวันมารืนไม่ใช่พรุ่งนี้ใครจะมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้อดีตร้อยโทรกองจนกรเรียงหน้าเฉยไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดทั้งสิน้นต่ออาการคุณเคืองเกลียวกราดของเขาเราก็ว่ามันจะไม่ได้ยินคำพูดนั้นแต่บอกมาด้วยเสียงกังวลลึกตามเดิมว่า ถ้าเราพลาดเวลานี้แม้แต่วันเดียวใช่ลายแทงบอกไว้เช่นนั้นแต่ฉันไม่สนใจหรอกมีจุดมุ่งหมายไว้ว่าควรจะไปให้ทันแต่ถ้าไม่ทันก็ช่างหัวมันเขาพูดโดยโทรศัพท์มากกว่าที่จะเจตนาหมายความเช่นนั้นแท้จริงถ้าไม่ทันเราจะหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้จริงๆ แะรู้ได้ยังไงเสียงระพินเกือบจะเป็นตหาวาัดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมรู้ได้ยังไงบางทีอาจจะเป็นเพราะสังขอนผู้กองและคณะเจ้านายตลอดจนทุกคนที่มาด้วยกันนี่เสียงชีวิตเหนื่อยยากกันมามากแล้วความหวังอยู่ที่ว่าจะต้องไปให้ถึงที่หมายภายในกำหนดเวลานี้เท่านั้นไม่ควรจะให้พลาดโอกาสไปสะมันเป็นไปไม่ได้ ที่เราทั้งหมดจะรอคอยอยู่ยังที่นั่นจนกระทั่งวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองเวียนมาถึงในปีหน้ากล่าวทิ้งเป็นปริศนาไว้เพียงแค่นั้นเงาายก็ก้มศีรษะลงเหมือนจะโค้งคำนับนิดหนึ่งแล้วก็เดินผละจากไปเฉยๆทิ้งให้พรานใหญ่ยืนจ้องตามไปด้วยความเดือดดานใจอยู่ปุดปุบไอ้วินเงาทาย เขาผรุตสวาาอยู่ในใจพองโงหัวขึ้นมาได้พบหน้ากลับมาร่วมคณะกันยังไม่ทันไรก็เปิดสกรารยุ่บประสาทของเขาเะแล้วตามลักษณะเดิมๆของมันมันยวนของมันเงียบๆภายใต้อากัศกิริยาและสีหน้าที่ดูแสนซื่อบือ้อเบื้องนอกอยากให้คุณหมอดารินคนสวยได้มาเห็นเจ้าองค์ครักตัวโปรดในตอนนี้นะ เกิดมาเป็นระพิน์ไพรวันยังไม่เคยยอมให้ใครมาแตะคมได้เลยแต่ไอ้กะเรียงรูปงามผู้ไม่ปรากฏเบื้องหลังความเป็นมาแท้จริงผู้นี้เอาคมของมันเข้าแตะเขาอยู่ตลอดเวลานานแสนนานมาแล้วตั้งแต่เขายังเป็นร้อยตํารวจเอกระพิน์ไพรวันผู้บังคับกองตํารวจระเวนชายแดนและมันเป็นร้อยโทงแง่ทายแห่งกองโจรกะเรี่ยงอิสระ รพินเอาเท้าเตะก้านไม้ที่แง่ทรายใช้ขีดเขียนอะไรลงไปบนพื้นตรงหน้ากระเด็นไปอย่างหัวเสียแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อเหลือบลงกับพื้นบริเวณที่เท้าเหยียบยืนอยู่ภาพเส้นขยุกขยิกอากรอยดําของผ่านที่แง่ทรายลากไว้ซึ่งครั้งแรกเขาคิดว่าเจ้านันมือบอนเขี่ยอะไรเล่นอย่างปราศจากความหมาย แสงไฟในกองส่องสว่างพอจะทำให้มองเห็นเป็นภาพชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่อาจมองผ่านไปซะได้จอมพลันย่นหัวคิว้วกับริบตาจ้องอยู่ครู่ก็ซุดตัวลงนั่งเอาไฟฉายส่องภาพที่ปรากฏกับตาทมกลางลำไฟฉายเรียกความชงนสนเท้ใจให้เกิดขึ้นกับเขาเหลือที่จะกล่าว เงยหน้าขึ้นมองหาเจ้าคนที่เขียนภาพไว้ก็พบว่าบัดนี้ไอ้นักเดินดงจอมพนเจนจรกำลังใช้มีดเฉือนเนื้อย่างก้อนใหญ่ซึ่งตั้งย่างลงควันอยู่บนร้านย่างเนื้อสารวนง่วนอยู่กับการหาอาหารบรรจุกระเพาะไม่หันมาสนใจอะไรกับเขาอีกเลยภาพนั้นเป็นภาพสเก็ตคร่าว ลักษณะของแผนที่ตรงตำแหน่งเนินพระจันทร์ซึ่งแวดล้อมอยู่ด้วยทิวเขาสูงของเทือกเขาพระศิวะซึ่งล้อมรอบอยู่สันฐานของรูปสเก็ตตรง ก, กันกับภาพในแผนที่ลายแทงของเขาแทบทุกส่วนอีกมุมหนึ่งของเนินพระจันทร์มีรูปจันทร์เสี้ยวขนาดหัวค่รลอยแตะตปดอยู่กับมุ่นผมของภาพเทวรูปพระศิวะ ซึ่งประทับในฐานั่งซึ่งหันหน้าเป็นมุมเฉียงประมาณสามสิบองศาทางด้านตะวันตกของเนินพระจัก์จอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นนี่เขาเผชิญหน้ากับปริศนาลี้ลับอะไรเข้าให้อีกแล้วไม่เช่เกิดจากลายแทงของมังมหานรธาที่คบคิดกันมาตั้งแต่ตอนหัวคำ่ำแล้วก็ยังไม่สามารถจะสรุปอะไรออกมาได้ แต่คราวนี้มันเกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าแง่ใส่ไอ้คนลึกลับยิ่งกว่าความลึกลับทั้งมวลที่เขาเคยผ่านพบมันเจตนาที่จะทิ้งปัญหาอะไรไว้ให้เขาต้องขบคิดกระมักในการจำลองภาพของเนินพระจันทร์เทือกเขาพระศิวะองค์เทวรูปซึ่งมีจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นปิน่นทิ้งไว้ให้เห็น แง่ท า, ายไปเอาภาพชนิดนี้มาจากไหนและมันหมายถึงอะไรระพินทร์ไทรวันเหลือบสายตาอีกครั้งไปทางเจ้าของภาพซึ่งยืนหันหลังให้ห่างออกไปประมาณยี่สิบเก้าและมองภาพนั้นอย่างพินิษคร่ครวญเขาต้องการที่จะเรียกแง่ท า, ายเข้ามาถามว่าไอ้ที่มันวาดภาพไว้เช่นนั้นหมายถึงอะไรแต่แล้วก็ล้มความตั้งใจซะ เพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ในการที่จะต่อปากต่อคำสืบความยาวสาวความยืดกับเจ้าคู่ปรับซึ่งกินในกันมาตลอดเวลาประจุ ก, กับระยะนั้นฟ้าก็สางพอที่จะมองเห็นลายมือได้รางๆป่ารอบด้านเพรียกระงมไปด้วยเสียงวีหกนกไพรและลิงข้างที่กูร้องระงมอยู่ยังดงข้างล่างแทนพื้นเมืองของเขาหลายคนเริ่ม ตื่นแล้วพรานใหญ่เดินกลับไปยังที่นอนเมื่อคืนของเขาคว้าผ้ากับมาเขียนพุงแล้วถือไรเฟิลเดินลงจากเนินที่พักตรงไปยังลําธารเพื่อล้างหน้าและเดินตรวจดูภูมิประเทศรอบๆเมื่อเขากลับขึ้นมาอีกครั้งทุกคนในแคมป์ตื่นขึ้นหมดแล้วด้วยอาการกระปรีก้กระเปร่าแช่ชื่นอยู่ในอิริยาบถต่างๆ และกําลังดื่มดำอยู่เป็นสุขกับอากาศยามเช้าซึ่งทัศนวิสัยดีกว่าทุกวันชยันตะโกนร้องทักทายเมื่อเห็นเขาไตาเนินโผล่ขึ้นมากระพินโบกมือตอบแต่ไม่ได้ตรงเข้าไปร่วมกับคณะนายจ้างของเขาหากแต่เดินเลี่ยงไปนั่งถอดรองเท้าออกพึ่งไฟอยู่ทางด้านกลุ่มพรานพื้นเมืองไม่สนใจกับอะไรอีกนอกจากจะเอา ปาสต์ปิดแผลถลอกเล็กๆน้อยๆตามแขนขาอันเป็นผลมาจากการสมบุกสมบันเป็นเวลานานโดยไม่มีเวลาที่จะหันหน้ า, นนนามาสนใจกับตัวเองเลยชาววันนี้ทุกคนดูจะปลอดโปร่งใจและอยู่ในอารมณ์พักผ่อนเต็มที่ไม่มีภารกิจใดๆที่จะต้องเร่งร้อนรีบด่วนกลุ่มนายจ้างทั้งหมด ชวนกันเดินลงไปใช้น้ำที่ลำธารโดยมีแง่ทรายกระสางตาเดินตามลงไปด้วยจากคำาชวนของดารินกับมาเรียระหว่างที่ทั้งสี่คนนั่งกันอยู่ที่โขดหินริมธานวักน้ำอันเย็นเฉียบขึ้นรูปหน้าดารินก็เอ่ยเปรยขึ้นว่านี่มีใครสังเกตตาพรานของเราบ้างไหมเช้าวันนี้ทำไมชยันถามเพื่อสาวยักไหล ฉันรู้สึกว่าเขาจะมีท่าทางพิลึกพิลึกไปนะดือตึงๆยังไงพี่กนก็ยอยากจะพูดอะไรกับพวกเราเลยตั้งแต่เมื่อคือนนี้เวลานอนก็แยกไปนอนต่างหากกับพวกพรานพื้นเมืองของเขาเสียก็ช่างเขาเปรไ ป, ไรไปสนใจทำไมมาเรียพูดลอยๆแต่ชายันชะนักนิดนึงเอาผ้าขนหนูเช็ดหน้าเธออาจคิดมากไปเองก็ได้น่าน้อย เหม็นจะมีอะไรเลยสําหรับรพินน่ะถ้าไมสบายก็อาจหงุดงิดอะไรแล้วก็มังฉันไม่ชอบท่าทางแบบนี้ของเขาเลยนะก็อีแบบนี้แหละแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพอหมดเรื่องฉุกเฉินจะสบายปลอดโปร่งอารมณ์กันได้สักหน่อยเธอก็เตรียมตั้งท่าหาเรื่องําเขม็นเขาอีกละดารินสันศรีสัจแววตาแสดงอาการไม่สบายใจนะักฉันไม่ได้เจตนาจะหาเรื่องอะไรหรอกนะแต่พูดจริงๆ แล้วหล่อนก็หันไปยังฝั่งทานเบื้องหลังซึ่งมีแง่ทรายกับสังปลาเดินเกร์คุยกันอยู่เบาๆยกมือขึ้นดีดเรียกพอทั้งสองหันมาหล่อนก็กวักมือไปทางแง่ทรายเจ้าคนใช้พิเศษเดินตรงเข้ามาอย่างสงบด้วยอาการเหมือนธาตแง่ทรายเมื่อคืนนี้ตอนก่อนสว่างทะลุกขึ้นมาอยู่ยามคู่กับพรานใหญ่ไม่ใช่เหรอใช่แล้วนายหญิง หล่นจ้องหน้าแล้วยิ้มนิดๆอาการเหมือนจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างที่แฝงซ่อนอยู่ภายใต้สีหน้าตายด้านนั้นสังเกตหินบ้างหรือเปล่าพรานใหญ่เขาเป็นอะไรไปเป็นต้นว่าไม่สบายคราวนี้ริมฝีปากบนใบหน้านั้นสยายออกไปจนเห็นฟันขาวผู้กองสบายดีนายหญิงผมเห็นเช่นนั้น ถัางนั้นเธอไปขัดใจยั่วโทสะอะไรเข้าๆหรือเปล่าเล่าเนซา ย, ยิ้มในลักษณะแย่เคี่ยวอยู่ตามเดิมพลางสันสีสักผมไม่ได้ขัดใจอะไรผู้กองครับนายหญิงนี่อย่าไปกังวลอะไรอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยนาะน้อยเชื้อากล่าวขัดขึ้นอย่างไม่ถือสาเป็นอารมณ์พี่ไม่เห็นว่ากระพินจะผิดแปลกอะไรไปกว่าสภาพโดยปกติของคนเลยนะ มีประโยชน์อะไรที่จะมาคอยอ่านสีหน้าอาการเพี่จะจับผิดหรือจับไหวจับพริบกันอยู่รพินน์่ะเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วถ้าไม่มีเรื่องสําคัญอะไรเกิดขึ้นเขาก็มักจะเป็นคนเงียบเงียบขรึมขรึมไม่ชอบมาสูงสิงตีเสมอเราอยู่แล้วแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันไปสอบซักอาการของแง่ทายตลอดจนถามถึงเหตุการณ์เมื่อคืนตอนข้อรุ่งอันเป็นเวรของรพินกับเกิดแง่ทายรายงานให้ทราบว่า พรานใหญ่ไม่ได้ปลุกเกิดขึ้นมาอยู่คู่ด้วยแต่ตนเองรู้สึกว่าสบายตัวและแข็งแรงดีแล้วจึงตื่นขึ้นมาอาสาอยู่ยามคู่กับประพินมาเรียฮอฟมันไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นหล่นั่งแช่เท้าลงไปในทา น, น้ำตาเป็นประกายมันคลับนิ่งจับนิ่งไปยังร่างอันรงานงามของเจ้ากระเลี่ยงพระเจนจรเงียบ ตลอดระยะเวลาร่วมทางกันมาหล่อนไม่มีโอกาสจะวิสาสะคุ้นเคยกับองครักษ์พิเศษประจําตัวของดารินทร์นักชาววันนี้หล่อนพินิจเจ้าคนดงอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรกท่ามกลางแสงอุตสาหที่ฉาบฉายเรืองรองไปตลอดทั้งแนวปากกลางฐานน้ำผิวกายแดงเข้มราวกะหล่อล้อมขึ้นด้วยทองแดงแผงอกพ ง, งาดกายำเต็มไปด้วยมัดกล้ามที่แกลงเกร็ง กรอบตาใหญ่ลึกภายใต้จมูกที่ตั้งเป็นสันตรงและริมฝีปากที่บางเป็นมุมราวกับปากของผู้หญิงผมหยิกเป็นคลื่นปกท้ายทอยประกอบอยู่บนเรือนร่างสูงตรงขนาดไม่ต่ำกว่าหกฟุตเด็กผู้หญิงคนสนสนที่มีความพอใจกระหายอยากต่อตุ๊กตาตัวใหม่มีความรู้สึกเช่นไรมาเรียย่อมมีความรู้สึกเช่นนั้น เลือดในกายของหล่อนพุ่งพล่านระริกไหวอยู่ภายใต้อาการที่แลดูสงบเย็นพอๆกับอากาศยามเช้าตรู่วันนี้ทุกคนชวนกันขึ้นจากริมทานกลับที่พักมาเรียยังคงนั่งเอาเช้าแช่น้ำอยู่ในอาการเดิมเมื่อดารินหันมาร้องเรียกหล่อนบอกมือร้องบอกมาว่าประเดีย๋ยวจะตามขึ้นไปน้อยทั้งหมดเดินลับตาขึ้นไป ตามทางด่านจนหมดเหลือหล่อนนั่งอยู่ตามลําพังคนเดียวแม่สาวเอนตัวลงพิงโขดหินเท้าแกว่งน้ําเล่นนั่งชมนกชมไม้และหมู่ปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายอยู่ในลําธารน้ําใสอย่างสบายอารมณ์คนอื่นๆอาจรู้สึกหนาวมากสําหรับตาบนยอดเขาสูงยามเช้าแต่สําหรับหล่อนกําลังเย็นสบายแช่มชื่นที่สุด ครูใหญ่ต่อมาร่างสูงใหญ่ของแง่ทรายก็โผล่เงียบเงียบแทบจะปราศจากเสียงออกมาจากพงไม้เหนือฝั่งทานมารยาานไปพบก็จ้องด้วยอาการชะงนอาจเป็นด้วยสัญชาตญาณดั้งเดิมของผู้หญิงหล่อนดึงชายเสื้อแจ็คเก็ตฟิลที่เปิดอกรา่าปล่อยให้สองเต้าอวบระงานรับกับลมเช้าอยู่ในขณะ น, น, นี้เข้ามารวบปิดไว้ก่อนที่แง่ทรายจะเดินดุมดุ ม, ดมตรงเข้ามาถึง ไฮเฮอร์คิวลิสเราหลุดปากทักออกไปเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเผลอตัวใบหน้านั้นยิ้มนิดนึงแล้วเสียงทุ้มกังวานเป็นภาษาพมา่าก็บอกมาว่านายใหญ่ให้ผมมาตามนายแม่มกลับขึ้นไปข้างบนครับโอ้มาริอาอุทานบาบาบาเบาๆเบิกตาพร้อมกับเลิกคิวน้อยๆฉันอยากจะนั่งที่นี่สักครู่ กลับขึ้นไปบอกนายใหญ่เถอะว่าเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองไม่ต้องให้ใครมาตามหรอกผมกลับขึ้นไปไม่ได้ถ้าไม่มีนายแหม่มกลับไปด้วยครับทำไมนายแหม่มไม่ควรนั่งอยู่คนเดียวในโดงแถบนี้ครับแหม่มสาวหัวเราะเบาๆสำรวจไปตลอดทั้งวงหน้าและเรือนร่างที่ยืนระ ง, งานอยู่ใกล้ๆนั้นซึ่งซึ่งหน้าด้วยสายตาบุ่งบอกความพอใจอย่างเปิดเผย ใจมากที่เป็นห่วงฉันความจริงนะ่ะเธอควรจะห่วงนายหญิงของเธอดีกว่าสำหรับฉันนะ่ะไม่กระไรนักหรอกฉันชินซะละกับภัยอันตรายทุกชนิดความจริงฉันก็ออกมาอยู่ตามลำพังนักหรอกฉันมีไอ้นี่อยู่ด้วยหลอนบุ้ยปากไปที่ c ีเซ็จุดสามเจ็ห้าประจำมือประสาทหูกับประสาทตาของฉันดีแล้วก็ยิงปืนได้พอใช้ ไม่ใช่เพียงพอชายหรอกนายแหม่มสั่งยิงได้ทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ใช่หลักประกันที่พวกเราทุกคนจะแน่ใจได้ว่านายแหม่มจะปลอดภัยเมื่ออยู่ตามลำพังคนเดียวเช่นนี้และสําหรับผมในฐานะคนชายผมห่วงทุกคนในคณะของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้านายไม่เลือกว่าเป็นใครนายใหญ่ให้มาตามนายแหม่มขึ้นไปนั่นเป็นความคิดอันถูกต้องแล้ว นายม่ก็ควรจะกลับขึ้นไปซะด้วยยายทุกคนข้างบนเขาห่วงอยู่เลยมาเรียตะแคงหูฟังสำเนียงของประโยคอันชัดเจนชัดฉานั้นแล้วมองจากขัวจรดตีนอีกครั้งภาษาสำนวนของเธอนะ่มันค้านกับฐานหน้าที่ฉันเห็นอยู่เบื้องนอกไปมากนะแง่ซ า, ายคนป่าคนดงลูกหาบ หรือคนใช้ที่ติดตามมากับคณะของคุณชายเชิดถาไม่น่าจะพูดได้แบบนี้นะที่พรานใหญ่เขาไม่ค่อยจะชอบหน้าหรือไว้วางใจเธอนักนะ่ะเขาก็น่าจะมีเหตุผลอยู่หรอกเธอไม่ใช่แง่ทายอย่างที่เธอต้องการจะให้เรารู้จักฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่านายหญิงตลอดจนนายชายอีกสองคนของเธอเขาจะเฉลียวคิดได้อย่างที่ฉันคิดอยู่ในขณะนี้บ้างหรือเปล่า ย่คนลึกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นสายตาที่ประสานมาเรียเฉยเมยตาสัจแววใดๆที่จะให้อ่านได้จะคิดหรือจะไม่คิดก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอันใดคำตอบมีมาอย่างเช่มช้าเป็นจังหวะถึงนายแม่มอเองก็ไม่น่าจะประหลาดใจอะไรนักผมเรียนหนังสือมาพอสมควร พูดและเขียนภาษาของคนผิวขาวอย่างนายแหม่มได้มีการศึกษาสมาคมในสังคมของมนุษย์ที่จเจริญแล้วถึงแม้จะไม่สูงนักแต่ก็ไม่ต่ำนักผมเบื่อที่จะใช้สำนวนอย่างชาวป่าซึ่งรังแต่จะเผลอเรอพลั้งพลาดสร้างรอยพิรุษและระแวงสงสัยให้แกคณะเจ้านายเพิ่มขึ้นยังคิดว่าควรจะใช้ภาษาของชนที่จเจริญแล้วแม้แต่ตัวผมเอง จะเป็นชนที่มาจากแหล่งซึ่งอารยธรรมในโลกปัจจุบันแผ่เข้าไปไม่ถึงก็ต่างมาเรียขมวดคิว้วซอยเปลือกตาทีๆและถามเร็วปรือว่าเธอเรียนหนังสือมาจากไหนล่ะชั้นต้นสุดในวัดเมืองมันดาเลชั้นกลางในไฮสคูลเมืองแรงกูลครั้งสุดท้ายในบอมเบย์ยูนิเวอร์ซิตี้บัชเลอร์ดีกรี ในแหนงอาจมาริฮอฟมั่นแทบจะพังหะแมมสาวตกตะลึงจ้องร่างสูงใหญ่ที่ยืนหน้าตายแช่น้ำครึ่งหน้าแข่งอยู่ตรงหน้านั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกต่อให้นางพญาพันธุมว ด, ดีแห่งนิทราคนครอันอาถรรพ์มาปรากฏร่างให้เห็นอยู่ตรงหน้านบัตรนี้หล่อนก็คงไม่อัศจรรย์ใจเท่า ปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยบอมเบโอโกดริมฝีปากของหลอนขมุบขมิบหน้าซีดเผื้อดดูเหมือนจะสวดอะไรอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับลง ท, ท้ายด้วยคำว่าอาเมนหรืออะไรทํานองนี้มาเรีย ม, มาได้สติรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่องแงซายตือนด้วยเสียงปกติให้กลับขึ้นไปบนแคมป์ แต่หล่อนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะจ้องหน้าขมิงอยู่เช่นนั้นตาไม่กระพริบถ้าฉันไม่ฝันสติของฉันถ้าฉันไม่ฝันสติของฉันก็ฟุงฟันเฟืนอไปชะแล้วละ่ะหล่อนเต็มไปด้วยอาการตื่นระหนกร้องเสียงสูงแง้ไยนี่หูฉันฝาดไปหรือยังไง Bachelor of Art from Bombay University ไรมิสซิสฮอฟมนมารีตาเหลือมีอาการเหมือนจะเป็นลมหลอนอ้าปากค้างอยู่เช่นนั้นนานเท่านา น, านพอรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งก็ทะลึ่งพรวดขึ้นทันท่ามันจะวิ่งปรือขึ้นฟังกลับขึ้นไบบนแคมอย่างเร็วที่สุดแต่อุ้งมืออันกำยำเป็นบริพรกํำลังคว้าหมับไว้ที่ต้นแขนของหลอนอย่างฉับพลันเราก็จะอ่านใจออกอยู่ก่อนแล้ว ยึดให้นิ่งอยู่กับที่ใบหน้านั้นยิ้มน้อยๆพร้อมกับสั่นสีสะช้าๆ No you must not ภาษาอังกฤษที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากคู่นั้นชัดเปรีย้ยย่านะครับถ้าคุณฉลาดคุณต้องไม่กระโตกกระตากอะไรออกไปมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกสิ่งที่ผมสาบานได้ก็คือ ผมไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือมีแผนการทรยศหักหลังพวกคุณแม้แต่นิดหนึ่งวางใจเถอะครับเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วเช่นนี้วิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือเงียบเฉยไว้ดีกว่าถ้าแพร่งพลายออกไปถึงหูเจ้านายของผมปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือคนเหล่านั้นจะหมดสิ้นความไว้วางใจในตัวผมทันที ผมสาบานกับคุณแล้วผมไม่มีเจตนาทุจริตอะไรในการร่วมทางมาด้วยครั้งนี้มาเรียืนนิ่งงันอยู่กับที่อีกเป็นเวลานานในที่สุดก็สุดตัวหวบลงนั่งตามเดิมอย่างหมดเดี่ยวแรงนี่นี่แปลว่าพวกเราทั้งหมดแม้กระทั่งไยวันไม่มีใครรู้ถึงเบื้องหลังความเป็นมาของเธอเลยเหรอ หล่อนพูดด้วยเสียงเกือบจะเป็นกระสิบแง่ทร า, ายหัวเราะเสียงกังวานทุมและม่ยามหัวเราะใบหน้านั้นมีสเสน่ห์ขึ้นอย่างประหลาดรู้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานใหญ่แต่เขาก็รู้ไม่หมดหรอกแล้วก็เพราะความที่รู้ไม่หมดของเขานี่แหละที่ทำให้เขาเกลียดขี้หน้าผมนักมันตรงข้ามกับผมผมไม่ได้เกลียดเขาเลย ผมรักและนับถือเขามากถ้าโกหกหลอกลวงเขามาตลอดงั้นสิเจ้าคนลึกลับสายหน้าเช่มช้าอยู่เช่นนั้นถ้าโกหกก็ต้องหมายถึงว่าพูดถ้ามันผิดความจริงแต่การที่พูดความจริงไม่หมดมันไม่ใช่เป็นการโกหกแต่เดี๋ยวนี้ผมก็บอกกับคุณตามจริงโดยไม่ปิดบังแล้วนี่ว่าภูมิหลังผมมีมาเช่นไร มันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะอำพรางหลอกลวงอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุผลและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ว่าผมจะเปิดเผยความจริงออกไปเมื่อไรอย่างไรและกับใครโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวผมเองพานใหญ่ระพินรู้เท่าทันหมดทุกอย่างเขาจึงคอยระแวงผมอยู่ตลอดเวลาแต่ผมไม่ถือสาเขาหรอกในข้อนั้นสักวันน เขายอมจะรู้ได้เองว่าผมนั่ไม่ได้มีภัยใดๆต่อตัวเขาและคณะเดินทางคณะนี้เลยในขณะนี้ผมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจได้ก็ปล่อยเขาระแวงผมไปก่อนแล้วกันมาเรียยังไม่คลายอารมณ์ตื่นเต้นตกประมาสุ่มเสียงสั่นไปหมดแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกความจริงกับไพรวันและพวกนายจ้างของเธอละ ว, ว่าแท้ที่จริงแล้ว เธอเป็นคนเจริญที่ผ่านการศึกษาอย่างดีมาแล้วคณะเดินทางคณะนี้นะ่ะก่อนจะออกเดินทางมาประกาศหาคนรับใช้ประเภทลูกหาบกล้าตายแงซ า, ายพูดช้าๆเขาหน้าอันเคยดูกระด้างเฉยเมยแบบคนป่าบัตรนี้มีแววอ่อนโยนและสุขุมลึกซึ้งเต็มบริชาวัิพัน์อันละเอียดอ่อน พวกเขาต้องการคนที่มีรูปร่างแข็งแรงอดทนซื่อสัตย์เลกล่าหารแต่คงจะไม่ต้องการคนที่มีปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ถ้าผมเอาดีเกร อ, อกมาวางพร้อมกับเขียนใบสมัครคุณคิดเหะว่าเขาจะรับผมให้มาเป็นคนใช้มาด้วยอ๋อแล้วเธอก็เลยต้องปล อ, อมแปลงตัวมาอย่างนั้นสิม่ได้ครับผมไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องปลอมแปลงตัวมา ผมเพียงแต่ไม่ได้บอกความจริงแก่พวกเขาทั้งหมดซึ่งมันไม่จําเป็นและส่วนที่ผมบอกไปแล้วผมก็ไม่ได้โกหกชีวิตบางส่วนของผมเคยเป็นทหารแห่งกองโจรกระเหลี่ยงอิสระเคยเป็นนักล่าสัตว์พเนจรเคยเป็นกรรมกรเหมืองแรกเคยไปเรียนยุทธวิธีรบแบบกองโจรที่กองบัญชาการคุณหมิงแล้วมากระโดดร่มยึดพมา่าเหล่านี้เป็นความจริงและพลานใหญ่ระพินก็รู้ แต่การที่ผมไม่ได้พูดถึงเชกสเปียร์วอนแตร์มินตันเกเตอร์หรือเอ่ยอ้างเอากฎเกณฑ์ของดาวินขึ้นมาพูดให้ใครได้ยินจะเรียกว่าผมโกหกหรือปกปิดอำพรางก็ยังไม่ถูกต้องนักและการที่ผมพูดกระเรียงแมวขมุกตองเหลืองหรือภาษาของชาวเขาต่างๆมีชีวิตเป็นอยู่ลักษณะท่าทีเหมือนพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นการจาแลงแปลงตัว หรือปลอมแปลงฐานะอยู่นั่นเองเพราะผมเคยกินอยู่หลับนอนและมีชีวิตอย่างเดียวกับพวกเขาเหล่านี้มาแต่ไหนแต่ไรแม่สาวงันไปอีกพักใหญ่ถ้าเธอบอกความจริงกับฉันให้หมดฉันรับรองว่าจะปิดไว้เป็นความลับแสงแห่งความฉลาดเท่าทัานผ่านไปในแววตาของแง่ทา ย, ายพร้อมกับรอยยิ้ม นายแมมอยากจะรู้อะไรคราวนี้แงาสไทนยเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษาพม่าตามเดิมในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังพูดอังกฤษเป็นการพูดกันคนละภาษาก็จริงแต่ก็รู้เรื่องกันได้ดีอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเพราะทั้งเพราะทั้งสองฝ่ายเข้าใจอยู่แล้วทั้งสองภาษาวายุผมเหรอก็ร้อยโทแ ง, งาสทน์น่ะส ผู้บังคับหมวดสี่กองร้อยเสือดาวขึ้นตรงกระศูนบัญชาการรับแห่งเมียวดีนั่นมันอดีตส่วนส่วนเดี๋ยวนี้ก็คือเจ้าแงสายคนดงพระเนจรคนใช้ของคณะเดินทางคณะนี้ไงมาเรียขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจในคำตอบนี่แปลว่าเธอยังมีอะไรที่จะปกปิดอีกมากทีเดียวคนมีการศึกษาดีเยี่ยมอย่างเธอ ทำไมถึงมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ล่ะนม่แหม่นไปถามพรานใหญ่รบพินดูด้วยสิว่าเหตุใดคนมีการศึกษาดีอย่างเขาจึงมาใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้เคยได้ยินคติพ์ข้อหนึ่งบ้างไหมที่เขาบอกว่าหัวใจที่สันโดษย่อมมีความสุขเสมอผมพอใจในความสันโดดผมชอบชีวิตที่ศึกษาผจญภัยในป่าในไพรกว้าง และใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างคนป่าคนดงเพราะอาดีตของผมแต่เล็กแต่น้อยมาส่วนมากก็ต้องเที่ยวอยู่ในป่าจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ ม, มันใช่ละและพ่อแม่ญาติพี่น้องของเธอละ่ะแง่าสายผมเป็นคนกําพราไม่มีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่แง่า ย, ายตอบเสียงแหบเครือลงช่วขขณะหนึ่งที่มาเรียเห็นแววเศร้ารันทดผ่านแวบไปในดวงตาคู่นั้น แล้วต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นลุกวาโรดขึ้นอย่างประหลาดริมฝีปากนั้นยิ้มเครียดๆมองมือข้ามศีรษะหลอนไปอย่างปราศจากจุดหมาย พ, พึมพำต่อมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองว่าถูกและ้ะแง่ท า, ายไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องชีวิตฝากไว้กับความหวังและดวงดาวเบื้องบนเท่านั้น ดูมันจะค้านกับความจริงบางอย่างนะแงสายเธอเป็นคนกำพร้าอนาถาอย่างที่บอกแล้วใครจะสนับสนุนให้การศึกษาดีเลิกแกเธอถึงเพียงนี้ล่ะตาคู่นั้นเปลี่ยนมาจับอยู่ที่ใบหน้าอดีตพญญาไม้โฉมงามของดอกเตอร์ฮอฟมันตั้งแต่จำความได้พระธุดงองค์หนึ่งท่านอุปการะฟูมฟักผมมานำเสียงนั้นแผ่วเบา พอวัยประมาณสิบขวบก่อนที่ท่านจะทุดงโดดเดี่ยวไปตามลำพังและสูญหายไปจากการพบเห็นของผมอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านได้นำผมไปฝากไว้กับท่านสมภารที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองมันดาเลท่านสมภารที่ผมเรียกว่าหลวงตาอุปการะเลี้ยงดูผมต่อมาท่านเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงได้ส่งเสียผมได้เล่าเรียนมาเป็นลาดับตั้งแต่ขั้นต้น จนขั้นสุดท้ายเพราะผมเรียนหนังสือดีอยู่ในขั้นที่ท่านเห็นว่าพอจะสนับสนุนต่อไปได้โดยไม่จำกัดขีดขั้นแต่แล้วก่อนที่ผมจะทำมาสเตอร์ดีกรีความยุ่งเหยิงในทางการเมืองของสาภาพพม่า ก, ก็เกิดขึ้นรัฐกะเรียงต้องการอธิปไตยเป็นของตนเองโดยแยกเป็นรัฐอิจระเอกเทศไม่ขึ้นต่อรัฐบาลกลางของพอมา่า ผมถูกเรียกตัวกลับมาพร้อมทั้งนโยบายต่อต้านเพื่อเรียกร้องเอกราชอันเป็นข้อผูกพันชิ้นสุดท้ายที่ท่านหลวงตาผู้นั้นขอร้องแก่ผมไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพผมเข้าประจําการเป็นทหารกองโจรรบรังควานกองทหารพมา่าอยู่ในป่าเป็นเวลาสามปีบางขณะแผนยุทธการลับของเรากินไดนล่วงล้ำเข้ามาจนถึงเขตไทย และในครั้งนั้นเองที่ผมมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับผู้กองรพินซึ่งครั้งนั้นเขาเป็นผู้บังคับกองร้อยค่ายมีดำตำรวจตะเวนชายแดนไทยเรารู้จักและเคยผลัดกันเป็นหนี้ชีวิตตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเดี๋ยวนี้ผมก็เบื่อที่จะเป็นทหารกองโจรอีกละผมทางานให้แกวัตถุประสงค์ของท่านผู้มีพระคุณนานพอสมควร ข้าทหารพรม่ามาแล้วนับเป็นพันควรจะหมดภาระสุดสิ้นกันสะทีผมจึงหนีออกจากกองทหารกระเรียงอย่างที่เรียกว่าหนีทับขณะเดียวกันก็หนีฝ่ายทหารพรมา่าที่ผมเคยสู้รบมาแล้วด้วยอานจรท่องเ ท, ที่ยวไปตามแต่ใจปรารถนาอันเป็นอิสระมาเรียพยักหน้าช้าๆครางยาวในลำคอหืม แ้วเธอก็สมัครเข้ามาเป็นคนใช้ของคณะ น, นี้เดินทางเสี่ยงตายมาด้วยในครั้งนี้อะไรเป็นจุดหมายอันแท้จริงของเธอเท่าที่ฉันทราบนี่ยเธอขอสมัครติดตามรับใช้เข้ามาเฉยๆโดยไม่ประสงค์ในค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอันนี้แหละที่มันเป็นปริศนาให้ต้องคิดเพียงแต่ว่าใครจะคิดหรือไม่เท่านั้นอดีตร้อยโทกองโจเกรเรียน แงนหน้าขึ้นสุดอากาศอันสดชื่นยามเช้าเข้าเต็มปอดทำให้เห็นแผงอกอันใหญ่ระงานรูปตัววีเต็มบปได้วยมัดกล้ามงดงามสมส่วนนั้นขยายกว้างขึ้นอีกราวกับกำแพงเหล็กในชีวิตของมาเรียฮอบมันยังไม่เคยเห็นบุรุษใดจะมีเรือนร่างได้สัดส่วนงดงามเช่นร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าขณะ น, นี้มาก่อนเลยโดยไม่ได้ตั้งใจ หลอนพิจารณาไปตลอดทั้งร่างนั้นทีละส่วนอีกครั้งอย่างตะลึงลานแล้วก็รำพึงอยู่ในใจว่านี่มันรูปปั้นของเทพบุตรกรีกชัดๆก็อย่างที่ผมบอกกับท่านนายจ้างและผู้กองระพินไปแล้วตั้งแต่สมัยมาขอสมัครร่วมเดินทางด้วยครั้งแรกนั่นคือชีวิตของผมชอบผจญภัยชอบในสิ่งที่ใหม่และแปลกอยู่เสมอ แม้ว่ามันจะยืนอยู่บนความตายโลกนันกว้างใหญ่มีสิ่งอันหน้าที่จะศึกษาเรียนรู้อีกเป็นนันมากโลกแห่งอารยธรรมในปัจจุบันมันมีเพดานสูงสุดในขณะนี้เพียงแค่มนุษย์เหยียบห่วงอวกาศและดาวพระเคราะห์บางดวงได้สำเร็จเท่านั้นแต่โลกหรือเอิดอันลี้ลับของเราเองยังไม่มีใครสามารถเรียนรู้ได้หมดทั้งๆ ท, ที่คิดกันว่าโปร่ปรงหมดแล้ว นั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งแงซายเว้นระยะข้าวหน้าเยือ่อขรึมลงในลักษณะข้าวผวางฝันตาทั้งคู่รี่ซึมลงขณะนี้ต้องการไปติดตามคนสาบศูนย์ซึ่งเขาเชื่อกันว่าคงจะศูนย์หายเข้าไปภายในดินแดนส่วนหนึ่งของทิวเขาพระศิวะอันลีลับผมเองก็ปรารถนาที่จะเข้าไปที่นั่นเหมือนกัน ทำไมเธอต้องไปที่นั่นล่ะมารยาฐามสวนมาโดยเร็วพระธุดงองค์ที่เลี้ยงผมมาแต่เล็กน่ะสั่งผมไว้นักหนาว่าเมื่อผมเจริญวัยเติบโตเต็มที่แล้วให้ผมหาทางกลับไปยังดินแดนนั้นให้ได้ท่านบอกกับผมว่าที่นั่นมรกตนครถ้าหากว่ามันมีอยู่จริงคือที่มาของผมเผ่าพันธุ์ของผมอยู่ที่นั่น มันเป็นอาณาจักรในหมอกเป็นเมืองในแดนสนธยาซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์สากลและยืนยันไม่ได้ผมประสงค์จะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เส้นทางของผมและเส้นทางของคณะค้นคว้าติดตามคนสาบสูญเป็นเส้นทางอันเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงขอสมัครมาด้วยโดยไม่ประสงค์ค่าจ้างหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น แม่สาวเม็มริมฝีปากพยักหน้าเนิบๆอีกครั้งแล้วยิ้มที่หวังของคณะนี้นะนอกจากติดตามค้นหายแล้วรองลงมาก็คือขุมเพชรพระอุมาซึ่งเชื่อกันอย่างลมเพลมพัดว่าแฝงซ่อนอยู่ยังที่ใดที่หนึง่งภายในอาณาจักรรับแลนี้เธอต้องการไปที่นั่นไม่ใช่โดยจุดประสงค์จะค้นหามาหาสมบัตินั่นด้วยหรอกหรอ แง่าสายเผชิญสายตาตรงของมาเรียที่จ้องนิ่งมาอีกครั้งด้วยแววบริสุทธ์เปิดเผยใจแล้วผายมือขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสัจจะต่อหน้าแสงตะวันที่กำลังฉายอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าผมมีวัตถุประสงค์แห่งความละโมคิดที่จะได้สมบัติใดๆแม้เพียงเสี้ยวส่วนเดียวขอให้ผมจงมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต ก่อนที่จะเหยียบเข้าถึงแดนศักดิ์สิ้นผมเพียงแต่ต้องการค้นหาเผ่าพันธ์ที่มาของผมเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นความหวังที่เลื่อนลอยพอๆกับการที่คณะนี้จะแสวงหาขุมเพชรพระอุมานั่นทีเธอได้บอกวัตถุประสงค์เจตนาของเธอชนิดนี้แก่พรานใหญ่และพวกเราทุกคนแล้วผมได้บอกแล้วนายแม คณะเจ้านายไม่มีใครสนใจหรือคิดระแวงอะไรผมทั้งสิ้นเขาเหล่านั้นพอใจที่ได้คนแข็งแรงป่าหารและสามารถจะร่วมทางมหาวิบากกัพวกเขามาด้วยในครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นส่วนผู้กรพินถ้าไม่ฉลาดเกินไปก็โง่จนเกินไปเหมือนกันสาเหตุที่เขาไม่ไว้วางใจผมก็เพราะยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอก เขานำทุกคนเดินทางมาในครั้งนี้ผมรู้ดีว่าเขาไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นเขารับสัญญา จ, จ้างมาแล้วหน้าที่ของเขาก็คือการนำทางอย่างเดียวโดยที่ตัวเองก็ไม่เชื่อว่ามรากรนครหรือขุมเพชรพระอุมาน่ะมันจะมีอยู่จริงยิ่งมาประกอบกับชีวิตในอดีตซึ่งผมเองเคยเป็นทหารกะเหรี่ยงรอบจู่โจมค่ายตำรวจชายแดนของเขาจนแตกพ่ายมาแล้ว เขาก็จริงไม่มีความเชื่อใจผมสนิทอยู่นั่นเองอแล้วตัวเธอเองล่ะเธอเชื่อหรือว่าอาณาจักรหลังเทือกเขาพระสิวะนะั้มีอยู่จริงรวมทั้งขุมเพชรพระอุมาอันฟังดูเป็นนิยายชัดๆนี่คำถามของมาเรียรทำให้เจ้าหนุ่มพระเนจรอึง้งไปชั่วขณะหนึ่งอย่างตริตรองแม่สาวใช้สายตาอันปรีชาชานฉลาดจ้องสารวจอากักิริยา เปลี่ยนแปลงทุกชนิดอย่างจะค้นหาความจริงออกไปให้ได้การศึกษาและการอบรมมาอย่างอารยชนที่เจริญแล้วทำให้ความรู้สึกส่วนตัวของผมไม่อาจเชื่อได้เช่นกันนายแม่มคณะนายจ้างของผมหรือแม้แต่ผู้กองระพิน ม, มีทัศนะอย่างไรต่อการเดินทางอันเลื่อนลอยนี้ผมเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้น แต่ผมมีข้อยึดมั่นอะไรอยู่อย่างเป็นพลังใจผลักดันผมเหลือประมาณสิ่งนั้นคือคำสั่งของพระธุดง์องค์ที่ท่านเลี้ยงผมมาแต่น้อยเท่าที่ผมทำอยู่ในขณะนี้ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งครั้งสุดท้ายของท่านน่เองคนเราถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นเอาละฉันพอฉันคิดว่าฉันพอจะเข้าใจในความคิดของเธอบ้างแล้วล่ะแม้จะไม่ตลอดนัก แล้วก็เข้าใจในความคิดของไพรวันด้วยเธอมีเหตุผลของเธออย่างหนึง่งพรานใหญ่ก็มีเหตุผลของเขาอย่างหนึง่งว่าแต่นี่นะเมื่อเธอมีความคิดที่จะไปยังดินแดนนั้นมันนานแล้วเหตุใดเธอจึงไม่หาทางไปด้วยลำพังตัวเองสักก่อนหน้านี้ละ่ะทำไมถึงจะต้องรอสมัครมากับคณะนี้ด้วยจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประจุดหมาะก็ว่าได้นะครับนายแม ความจริงอะผมได้เคยพยายามมาก่อนแล้วที่จะไปตามลำพังแต่มันไม่สำเร็จชีวิตของผมเองก็แทบจะสิ้นสุดลงแม่บุคคลสาบสูญที่คณะนี้กำลังออกติดตามอยู่ผมก็เคยได้ข่าวในการเดินทางของเขาก่อนแล้วเคยออกติดตามไปแต่ผมตามเขาไม่ทันบังเอิญว่าเกิดอุบัติเหตุเชือก่อนทาให้ต้องชะงักล่าช้ามาการร่วมเดินทางมาด้วยครั้งนี้นั้น เป็นการพยายามครั้งล่าสุดของผมซึ่งมันประจวบเหมาะกันพอดีกับคณะนี้จะออกเดินทางมาสมมุติว่าท้าผู้กองไม่ยอมรับผมให้ร่วมทางมาด้วยผมก็คงจะออกเดินทางสะกดหลังมาทุกระยะพวกเขาถึงที่ไหนผมก็จะถึงที่นั่นแต่นี่โชคดีมากแม้ผู้กองจะแคลงใจผมตลอดเวลาแต่ก็ยังอุตสารับสมัครให้ผมมาด้วยซึ่งน้าใจอันกว้างขวางของเขาในข้อนี้ ผมจะไม่มีวันลืมไพวันเขาก็เป็นคนแปลกดีเหมือนกันมาเรีย ว, ว่าอย่างน้อยที่สุดฉันก็คิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษแท้จริงคนหนึ่งฉันรู้ว่าโดยทั่วๆวไปแล้วนะ่ะเขารักเธอมากทีเดียวแล้วก็ไม่เคยไว้วางใจใครในฝีมือมากไปกว่าเธอแม้คนของเขาเองก็ตามจะมีอยู่ก็ข้อเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาประดักมาเดิดใจอยู่ในขณะนี้คือความลึกลับที่มันแฝงอยู่ในตัวเธอ ซึ่งทำให้เขาวางใจสนิทไม่ได้ถึงฉันเองก็เหมือนกันต่อให้ดูเหมือนว่าเธอเปิดเผยอะไรให้ฉันทราบเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอถึงเพียงนี้แล้วก็ตามฉันก็ยังรู้สึกอยู่นั่นแหละว่าเธอยังเปิดเผยไม่หมดเอาเถอะถึงยังไงฉันก็จัดเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วหล่อนก็ยิ้มพูดด้วยเสียงปกติต่อมาว่าถ้าอย่างไงแล้วหากเธอคิดจะหักหลัง หรือทรยศ ต, ต่อคณะเดินทางคณะนี้เมื่อไหร่โดยมีผลประโยชน์อันมากมายเป็นเดิมพันแล้วก็อย่าลืมกระซิบบอกฉันด้วยนะเอาฉันเป็นพวกด้วยสักคนแงซ า, ายยิ้มตอบประกายขันขันฉากในดวงตาอย่าขุดบ่อล่อปลาถึงผมจะทรยศหักหลังคณะนี้จริงผมก็ไม่วีวันที่จะให้นายแม่มล่วงรู้ไว้ทันหรอกว่าแต่นายแม่มเถอะ อย่าร่วมหัวจมท้ายติดตามกับคณะนี้ไปจนถึงที่สุดเถอะมาเรียถอนใจเบาๆฉันก้าวมาแล้วนี่แง่ใจมันก็เหมือนกับตกบันไดพลอยโจรนั่นแหละเมื่อพวกเขาทิ้งฉันไม่ได้ฉันก็ทิ้งพวกเขาไม่ได้เหมือนกันพวกเราทุกคนที่ร่วมทางกันมานี่อาจตายกันทั้งหมดโดยไม่มีใครรอดชีวิตกลับออกไปยังโลกภายนอกอีกแล้ว ในการออกสำรวจท่องเที่ยวในป่าทุกครั้งนะ่ะฉันก็ตั้งมาติประจำใจอย่างที่เธอพูดไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นจะไม่ต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจอะไรใหม่หรอกเง่ทรายนายแมมเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจกล้าหาญมั่นคงมากครับแมมสาวมีแววพึงใจในสีหน้าต่อคำสรรเสริญนั้นขอบใจแง่ายที่อุตส่าห์ชมฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ในคณะเสี่ยงตายคณะนี้หรอกนะ แต่ยังมีอีกคนนึงนายหญิงของเธอหนอะไงก็ เ, เก่งกว่าฉันซิผมถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณนายแมนด้วยถ้าไม่ได้สั่งปาคนของนายแมนชีวิตของผมก็คงจะไม่ฟื้นขึ้นมามาเรียหัวเราะเสียงใสบัตรนี้หล่อนมีความรู้สึกสนิทสนมและคุ้นเคยกับองค์รักพิเศษดารินราวกับว่าได้คลุกคลีใกล้ชิดกันมาเป็นเวลานาน อย่าขอบอกขอบใจอะไรฉันเลยไงทรายพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนช่วยเหลือเธอทั้งสิน้นแม้จะช่วยไม่ได้ทางตรงก็เอาใจช่วยสางปลาแนะม้จะเป็นคนของฉันก็จริงแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีความสามารถในทางนี้โดยเฉพาะพครวันจะอีกสิกลับเข้าใจดีพันใหญ่รู้จักขอบขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่ร่วมคณะเดินทางมานี่อย่างดีที่สุดเารู้ว่าใครถนัด วิชมนาญเป็นวิเศษในด้านไหนบุคคลสําคัญที่สุดเป็นหัวเรียวหัวแรงในการกู้ชีวิตของเธอในครั้งนี้ก็มีอยู่สามคนเท่านั้นในระหว่างที่คนอื่นช่วยได้ก็แต่เพียงด้านภายในทั้งสามคนนั่นก็คือท่านใหญ่ผู้รู้อะไรดีและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันการที่สุดนายหญิงของเธอเองซึ่งเป็นแพทย์เอาใจใส่ควบคุมอาการอยู่อย่างใกล้ชิดและคนสุดท้าย เจ้าสั่งตาของฉันผู้ดำเนินการแก้ไขถอนพิษร้ายออกจากตัวเธอโดยไอแมงมุมดำตัวนั้นสิบสองคนของคณะพวกเราคนใดคนหนึ่งตกอยู่ในห่วงภายอันตรายคนอื่นๆก็ไม่อาจทอดทิ้งเฉยเมยได้หรอกนอกจากจะหาทางแก้ไขช่วยเหลือกันจนสุดความสามารถทีเดียวก็อย่างที่นายใหญ่เคยพูดไว้นั่นแหละสิบสองชีวิตของพวกเรานะ่มันกลายเป็นสายโซ่ไปซะละ ถึงเธอเองฉันก็เคยได้ทราบข่าวว่าเคยช่วยถ่ายเลือดกู้ชีวิตนายใหญ่ไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอแงใสไม่ตอบตรงคำถามเพียงแต่แย้มริมฝีปากน้อยๆแล้วก็เตือนขึ้นว่ากลับขึ้นแคมเถอะนายหมมาเรียยื่นมือส่งมาให้ช่วยฉุดฉันหน่อยสิขาฉันน่แช่น้ำจนเป็นเน็บชาไปหมดแล้วอย่างสารวมสุภาพ เจ้ากระเรียงรูปงามซึ่งแท้ที่จริงคืออักษราศาสตร์บัณฑิตในคราบของคนดงุงส่งมือไปให้อดีตพญญาไม่ของด็อเตอร์ฮอฟมันหล่อนจับมืออันแข็งแรงนั้นเหนี่ยวพยุงกายขึ้นจากท่าที่นั่งอยู่บนก้อนหินเหนือน้ำแต่แล้วก็ถลายลื่นเซหวาทลาเข้าไปประทะแผงอกตระงานที่ปักหลักตรึงนิ่งอยู่ราวกับกาแพงชายเสื้อแจ็คเก็ตฟินของหล่อน ซึ่งแต่เดิมปลดดุมแบะออกตลอดและปิดไวอย่างหลักลวมัตรนี้ปลิวกระจายแผ่กว้างออกเพราะอาการเสียหลักภวานั้นถันเปรยเปล่าทั้งสองพุ่งเข้าชนเบียดแน่นติดอยู่กับอกจอมพเนจรเต็มรักในขณะที่แงซ้ายรวบรั้งเอไว้อย่างตกใจเพราะเกรงหล่อนจะล้มอุปัตถวเหตุหรือเจตนาจากแม่สาวในตาสีผักตบ สวรรค์เท่านั้นที่จะรู้หล่อนตะลึงและแง่ายก็ตะลึงลำแขนทั้งสองของแมมสาวบัดนี้กระวัดรัด ร, รอบคอเขาไว้เหมือนจะพยุงตัวหาที่ยึดเหนี่ยวหน้าแงนเงยขึ้นในขณะที่ใบหน้าของอีกฝ่ายนึงก้มลงตาจ้องตาห่างกันเพียงฝ่ามือเดียว รู้สึกว่าสางปาจะลงมาตามครับแง่ทรายกระสิกวงแขนที่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังออกแรงเหนี่ยวก้านคอแง่ทรายให้ต่ำลงมาเรากับพลังดึงดูดของสนามแม่เหล็กคลายออกในทันทีและด้วยสีหน้าแววตาอันสงบสํารวมเช่นเดิมแง่ทรายบัรจงตัดดุมแจ็กเก็ตฟีนมาใ ห, ให้มาเรียอย่างสุภาพเขากลับให้หลอนได้เพียงเม็ดเดียวที่ยอดอก เจ้าของเสื้อก็ยกมือขึ้นปัดโดยแรงอีกมือนึ่งขยุ่มรวบชายอกเสื้อทั้งสองไว้หันมาช่วยไรเฟิลเดินลุยขึ้นลำทานอย่างรวดเร็วไงสายตามขึ้นไปติดๆ ด, ด้วยอาการปกติมาเรียสอดสายตาขึ้นไปบนทางด่านอย่างกังวลถามเบาว่าไหนสางปายอยู่ไหนบางทีผมอาจตาฝาดไปก็ได้ครับ แงซ า, ายบอกเรียบๆจากข้าวหน้าอัญชาเฉยรอยยิ้มผ่านไปในดวงตาทั้งสองก้มศีรษะให้กับหล่อนแล้วบ่ายหน้าขึ้นทางด่านเดินดุ่มไปโดยไม่เหลียวกลับมาอีกมารียืนกัดริมฝีปากเบาๆจ้องตามหลังไปตาไมาก่กระพริบอยู่อึดใจใหญ่จึงเดินทอดอารมณ์ตามขึ้นไปทีหลัง คนนามสกุลไพรวันยังคงนั่งเอาพลาสเตอร์ปิดนั่นแปะนี่ตามร่างกายของตนเองง่วนอยู่ตามเดิมไม่สนใจแม้แต่จะเหลือบขึ้นมองว่าใครคนหนึ่งเดินทอดน่องเฉียดเข้ามาใกล้และในที่สุดก็มาหยุดยืนเอามือคว่ยหลังคำอยู่ทางศีรษะเยื่อไปเบื้องหลังเล็กน้อยห่างแค่วาเดียวทำเหมือนไม่เห็นจะต้องให้กระแอมด้วยเนี่ย ถึงจะเงยหน้าขึ้นมามองเสียงเบาๆลอยพูดขึ้นลอยๆก็จะต้องให้ลุกขึ้นยืนรงแล้วรายงานตัวหรือเปล่าล่ะคำตอบลอยๆอยเช่นกันดังมาจากคนที่กำลังกม้มหน้าสารวณอยู่กับตนเองโดยไม่หันมาจักเยอะเลยนะเอ๊ความจริงเช้าวันนี้อากาศก็ปลอดโปร่งสดชื่นดีนี่นะ นี่ไม่ต้องมาทำแดดดันใช่สิมีลมโชยอ่อนๆหอบเอากลิ่นบุพชาติรุยรินมาด้วยครึ่งบึง้งดารินตะ ว, วาดแวดปราดเข้ามากระชากไหล่ร่างนั้นจนฟา ง, งาวแทบล้มครึ่งยิ้มนี่อยากจะรู้นะักใครไปทำอะไรให้ตื่นเช้าขึ้นมาหน้างอเป็นจหวักไม่มองหน้ามนุษย์ไหนสักคนเมื่อคืนนี้ก็ยังเห็นดีๆอยู่แท้แท ระพินปลาหลอดพลาสเตอร์ลงในถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุเครื่องยาของเขาและลุกขึ้นยืนโดยเร็วสีหน้าเครียดขึมจันดารินตกใจเสียงพูดของเขาเบาก็จริงแต่มันแปลงกระด้างยังไงพี่กลและมีความจำเป็นอย่างใดไม่ทราบที่คุณหญิงจะต้องบอกแง่ทรายให้ทราบถึงแผนการเดินทางของเราด้วยราชสกุลสาวลืมตาโตอาปากค้างงงไปหมด ไม่รู้เรื่องที่เขาพูดอะไรกันหล่อนร้องตะกุกตะกักหน้าตาตื่นฉงนฉันบอกอะไรแง้ทรา ย, ายพรานใหญ่หัวเราะฮานานมาแล้วหล่อนไม่เคยเห็นเขาหน้าตาเคร่งชนิดดูไม่ได้อย่างเดียวนี้ยกแขนขึ้นเช็ดปลายจมูกแล้วพูดต่อมาเหมือนตะคอกว่าก็บอกเรื่องจุดหมายการเดินทางของเราน่ะสิเ น, นระจัน วันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองเราจะต้องเร่งการเดินทางไปให้ถึงตามกำหนดเวลานั้นนี่คุณหญิงผมมองไม่เห็นความจำเป็นสักนิดที่จะต้องบอกให้แง่สายรู้ขนาดคนของผมเองผมยังไม่บอกให้รู้เลยบ้าแล้วอยู่ๆก็มาหาเรื่องกันดารินร้องแหลมออกมาเต็ไมไปด้วยความโกรธระคนฉุนที่ถูกใส่ความกล่าวหาเอาดือด้อๆอย่างชนิดไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ฉันบอกแงายสที่ไหนทำไมมาว่ากันอย่างนี้ฮะรพินแยกเคี้ยวเข้าใส่จนหลอนต้องถอยผงะหลังออกไปทาไมบอกแล้วไอ้หมอนั่นมันจะรู้ได้ยังไงนิสัยผู้หญิงก็เป็นซิอย่างนี้แหละต่อให้มีวิชาวความรู้สักแค่ไหนก็อดทิ้งธรรมชาติของเพศตัวเองไม่ได้ช่างพูดเก็บความลับไว้ไม่ได้มีอะไรก็บอกมันก็เถอะสักวันหนึ่งมันคงหักคอซะรอก ด่าริมตลึงพรึงเพลิดหน้าแดงกำรอนกโกรธจนตัวสัน่นโกรธจนริมฝีปากระริกพูดอะไรไม่ออกอยู่ชั่วขณะแล้วก็ตะเบงเสียงกรี๊ดออกมาสุดเสียงกระทืบเท้าเร่าๆคนบ้าคนผีทะเลอยากฆ่าสนักดูสิอยู่ดีๆมาว่ากันรอนระเบิดเสียงสนั่นวันไหวกึกกล้องไปทั้งแคมป์ต้นอยู่เร่าๆทุกคนซึ่งบัดนี้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ สะดุ้งสุดตัวหันขวับมาเป็นตาเดียวกันอย่างตกใจเชษฐากชายันกำลังนั่งคุยกันอยู่ห่างออกไปทางหนึ่งวิ่งปราดเข้ามาโดยเร็วพร้อมกับตะโกน ล, ลั่นอะไรการเกิดอะไรขึ้นรพินไพวันยืนตัวแข็งเข้าใจหายวูบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความไม่พอใจก็ยังฉาบชัดอยู่ในสีหน้าและอาการที่พยายามสงบสํารุ ดาริขนขณะนี้อยู่ในภาวะที่เกลี้ยกลาอเต็มที่หายใจทีเร็วมือทั้งสองกำแน่นน้ำตาคลอหนวยด้วยความแค้นเคืองไม่เคยมีครั้งใดมาก่อนที่หล่อนจะเดือดดานโกรธแค้นพรานใหญ่เท่าครั้งนี้เมื่อพี่ชายและเพื่อนทันหลันเข้ามาถึงและร้องถามซ้ำหล่อนก็ยกมือขึ้นชี้หน้าจอมพรานนายคนนี้เปล่าหาว่าน้อยเอาเรื่องที่ปรึกษากันเมื่อคืน ถึงแผนเดินทางไปบอกแง่ราย ท, ทั้งทั้งที่ความจริงน้อยไม่รู้เรื่องและไม่ได้พูดกับแ ง, ง่ า, ายในเรื่องนี้เลยไม่เคยคิดจะพูดด้วยไม่เพียงแต่กล่าวหาใส่ความยเฉยๆนะซ้ํายังดูถูกซะอีกพูดในทํานองว่าคล้ายๆกันน้อยน่ะปากบอลหรือปากข่อปากปูอะไรอย่างงั้นแหละดารินพูดเร็วเอตโตโรเร็วปรือรุ่มซุ่มเสียงสั่นเครือไปหมดด้วยความโกรธนั้นะหันขวับมาทางสอชาย ถามติดต่อมาโดยเร็วว่าชัยยันกับพี่ใหญ่ล่ะบอกเรื่องนี้กับเงาทายหรือเปล่าน้อยก็อยากให้รู้แน่ไปเหมือนกันต้องสอบสวนให้รู้แน่ไปเดี๋ยวนี้แหละเจ็บใจนะักเชษฐาและชัยยันเต็มไปได้วยความงุนงงหมองหน้าคู่กรณีทั้งสองอย่างไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ฝ่ายหนึ่งยืนหน้าเคร่งขรึมสงบอีกฝ่ายหนึ่งสีหน้าโกรธจัดกำลังฟูมฟายน้ําตากายสั่นเทิมไปหมด ตาลุกวาวเราก็ะอยากจะกินเลือดกินเนื้อใครสักคนท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นโบกร้องลั่นออกมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว๋วเด๋ยวเดียวห ย, ย, ยุดก่อนอะไรกันนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไหนลองบอกให้รู้กันหน่อยสิว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นยังไงพี่ใหญ่ก็ลองถามนายคนยโสโอหังนี่ดูสิคะว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเกิดทงนองไหน ดารินแผลเสียงไม่ลดละอารมณ์ขุนมัวเต็มที่ช้ยยันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตรงเข้ายึดแขนไว้ก่อนแต่หลอนสะบัดผลักอกเพื่อนชายเซห่างออกไปด้วยกำลังที่เกิดขึ้นจากความโกรธตะวาดลัน่นนี่ถอยออกไปกำลังยั ว, ย, วยัวอยู่ด้วยม่เดี๋ยวตะบันหนะ้าแหกจเจ้าอีกคนหรือไงอ้าวอ้าอาวแล้วกันสี่น้อยใจเย็นๆพูด ก, กันให้รู้เรื่องก่อนสิ อ, อกันนี่เอาแต่โมโหโถโซ ชายันร้องดารินสะบัดมือฮึดฮัดไม่รู้ละ ว, วันนี้เป็นอะไรเป็นกันขอเชงปากของนายรพินสักทีเถอะว่าแล้วหล่อนก็กลากเข้ามาเงื้อมัดขึ้นตั้งท่าจะชกอะกับกิริยากลายเป็นแม่เสือรายไปซะและ้วจ้อมราน ย, ยืนสงบเฉยเขาไม่หลีกลบหรือมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นแต่ก่อนที่กําปัน้นน้อยๆจะคว้างไปที่ใบหน้าของเขานั่นเองพี่ชายก็ถลันเข้ามาทางเบื้องหลังคว้าไว้สัก่อน พร้อมกับตะหวาดสุดเสียงน้อยเมื่อนั่นเองหล่อนจึงชะ ง, งักร้องึในลำคอและสะบัดหน้าเดินไปหยุดยืนอยู่ที่โคถินใกล้ๆเอาหลังนิ้วกรีดเช็ดน้ำตาเหตุการณ์อันโกลาหนวุ่นวายและมีท่าที่จะรุนแรงเกินคาดนี้ทำให้พวกพลานพื้นเมืองตรหนกตกใจกันไปหมดพระทิ้งจากงานอื่นๆวิ่งเข้ามาล้อมตะลึงดูอยู่ห่าง ชยันเออะลั่นวิ่งวุ่นส่วนเชษฐายืนหน้าเครียดกั้นอยู่ในระหว่างน้องสาวและพรานใหญ่พอดารินถอยออกไปเขาก็หันมาทางจอมพรานถามเคร่งขรึมอะไรกันระพินน้ำเสียงนั้นเป็นทางการที่สุดและดูเหมือนจะกล้าวแข็งที่สุดตั้งแต่ระพินไพรวันได้ยินมาจากนายจ้างสุภาพบุรุษของเขามันแสดงถึงความไม่พอใจเป็นครั้งแรก ท่านใหญ่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเขาเองก็ลืมตัวไปไม่คาดคิดมาก่อนว่าถ้อยคำที่ออกไปด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดของเขาเองจะเป็นผลให้เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นถึงเพียงนี้แม้จะสะกุลหนุ่มใหญ่ผู้เป็นนายจ้างซึ่งเขาเองก็เคารพนับถือที่สุดอาจเข้าใจอะไรเขาผิดไปก็ได้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอนุมานเอาจากท่าเกลียวกราดเต้นอยู่เร่าๆของน้องสาว ผมเสียใจครับคุณชายแล้วก็ขออภัยครับเขาพูดแผ่วเบาน้ำเสียงแหบเหิดความจริงผมก็ไม่ได้กล่าวอะไรเป็นการล่วงเกินคุณหญิงนะครับเธอเดือดดานโกรธแค้นไปเองผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของเชิถท้าห้วนกระด้างขึ้นขมวดคิ้วจ้องตาเขาไม่กระพริบแง่ท า, ายแสดงอาการบางสิ่งบางอย่างให้ผมทราบว่า เขาทราบถึงแผนการเดินทางครั้งนี้ของเราโดยตลอดหมายถึงว่าเราจะต้องไปให้ถึงจุดไหนเมื่อไหร่ก็เลยทําให้ผมเข้าใจว่าคุณหญิงหรือวิฉะนั้นก็นายจ้างของผมคนใดคนหนึ่งเปิดเผยความจริงข้อนี้ให้แง่ใ ส, ส่ทราบความจริงมันก็ไม่สลักสําคัญอะไรนักหรอกแต่ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะต้องให้แง่ใส่รับรู้ในแผนการของเราทุกอย่างล่วงหน้า ควรจะรู้ต่อเมื่อเหตุการณ์มาถึงแล้วซึ่งก็เหมือนกับพวกพรานพื้นเมืองของผมทุกคนผมก็เลยถามคุณหญิงว่าคุณหญิงเป็นคนบอกให้แง่ทรายทราบเหรอเท่านั้นเองคุณหญิงก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาความจริงผมก็ไม่น่าจะถามหรอกไม่คิดว่าเธอจะโกรธแค้นถือเป็นเรื่องจริงจังถึงเพียงนี้คุณไม่ได้ถามฉันเฉยๆด่ารินแหววมาจาดอีกมุมหนึง่งคุณว่าฉันน่ะเป็นคนช่างพูด เก็บความลับไว้ไม่ได้ซึ่งความหมายมันก็บอกชัดว่าฉันปากบอนั่นแหละรัาบาลมันไม่ได้พูดล่นขยับตัวจะแล่นเข้ามาอีกแต่เชิดทายกมือห้ามเสียงของเขาแสดงว่าชักโมโหขึ้นมาบ้างเอาละเอาละหยุดก่อนน้อยเขาหันมาทางแพรนนำทางอีกครั้งในบอกให้แจมแจ้งหน่อยสิที่คุณว่าแองสไยรู้เรื่องนี้มันรู้ยังไง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแง่ทายรู้ยังไงแต่เมื่อคืนนี้แง่ทายพูดกับผมถึงเรื่องนี้ถูกต้องหมดทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ผมได้บอกกับคณะของคุณชายไว้เชิดาหันไปมองหน้าน้องสาวและเปลี่ยนสายตาไปยังช ย, ยันซึ่งยืนกับพริบตางงในคําพูดของพรานใหญ่ยอยู่เช่นกันท้ายสุดเขาก็หันไปสบตารพินอีกครั้งสําหรับผมกับน้อย รับรองว่า ไ, ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับแง่สายแน่ชัยยันแกละ่ะแกพยายายเรื่องนี้ออกไปหรือเปล่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันที่ฉันจะมาต้องบอกแง่สายในสิ่งที่เราปรึกษาหารือกันด้วยมันไม่จำเป็นนักนิดนี่นาชัยยันร้องลั่นอถ้างั้นก็ลองเรียกเมย์มาสอบถามดูสิอดีตนายทหารปืนใหญ่กวาดสายตาไปรอบๆก็เห็นมาเรียฮอกมันนั่งมองอยู่ก่อนแล้ว ที่บริเวณอันใช้เป็นที่นอนเมื่อคืนหล่อนไม่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่ด้วยเมื่อเกิดเรื่องเอะอะโต้เถียงกันขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะรู้เรื่องเข้าใจเหตุการณ์ได้โดยตลอดเพราะชยันร้องเรียกพร้อมกับกวัดมือมาก็ลุกขึ้นเดินเฉยเฉยย้ยยายตาโกเข้ามาอย่างใจเย็นทันทีเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าในกลุ่มกาลังมีเรื่องเครียดอะไรกันอยู่พอเข้ามาถึงก็วางหน้าตื่น ถามว่าอะไรเกิดอะไรกันขึ้นเหรอแล้วหล่อนก็หันไปมองดูหน้าดารินซึ่งกำลังบึ้งตึงตาวาวอยู่ราชสกุลสาวไม่สนใจใครทั้งสิ้นในขณะ น, นี้คงจ้องขมิงจับนิ่งอยู่ที่หน้าของพรานใหญ่ซึ่งเขาไม่ยอมสบตาอยู่เป้าหมายเดียวลึกซ่อนอยู่ในความโกรธมีแววของความน้อยใจปะปนอยู่ด้วยหล่อนไม่คิดมาก่อน นึกไม่ถึงว่าจริงๆว่าเขาจะมาแสดงความหงุดหงิดและพูดจากล่อนชนิดกล้าวกระด้างถึงเพียงนี้สีแรงห่วงกังวลอุตส่าห์เข้ามาทักทายชวนพูดด้วยก่อนแง่ายรู้แผนเดินทางของเราตลอดเชษฐถาพูดเก่าๆจ้องหน้าแม่มสาวเหมือนจะค้นหาความจริงพรานใหญ่ก็เลยสงสัยว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งจะเปิดเผยแงทายทราบ สำหรับผมชั ย, ยันหรือน้อยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแง่ทรายก็เหลือแต่เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่อยากจะถามว่าพูดอะไรเรื่องนี้กับแง่ทรายหรือเปล่ามาเรียเบิกตาขึ้นนิดหนึ่งแววสนุกสนานเร้นลับผ่านไปในดวงตาสีผักตกทั้งคู่ที่ชำเรเลืองผ่านหน้าคู่กรณีทั้งสองซึ่งกําลังมีเรื่องขัดข้องหมางใจกันอยู่แล้วหัวรอเฮ่ตอบเรียบเรียบว่า ทุกคนจะต้องให้ฉันสาบานไหคะว่าฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้และฉันจะบอกไงซายเพื่ออะไรกันคุณไม่ได้พูดเลยเหรอชยันซักทรายมารียักษไหลพองเสียงต่ำๆอยู่ในลำคอโอ้เอแล้วไอ้หมอน้นันรู้ได้ยังไงชยันถามเขาเริ่มจะสงสัยขึ้นมาแล้วใครจะรู้ว่าเสือนั่นรู้ได้ยังไง มาเรียบเรยแวลตาบอกอารมณ์สนุกเต็มที่ภายใต้อาการสงบเบื้องนอกก็ทำไมไม่ลองสอบถามเจ้าตัวเขาดูล่ะพาซิไอ้เสือนี่มาเหนือเมฆอีกแล้วชัยันอุทานออกมาหันไปรอบตัวอีกครั้งอย่างรวดเร็วก็เห็นพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายยืนล้อมดูอยู่ห่างๆหน้าตาตื่นอยู่เช่นนั้นครบถ้วนทุกคน ขาดหายไปก็แต่แง่สายเพียงคนเดียวจึงตะโกนถามไปโดยเร็วเฮ้ยพวกเราเจ้าแง่สายไปไหนพวกนั้นเหลียวสายแหลขวาแล้วสื่อก็ตอบมาว่าผมเห็นแง่สายเดินออกไปชายป่าบอกว่าจะไปตัดไม้ครับนายเออเองนั่นแหละไปตามมันมาเร็วด่วนจีเลยสื่กระโดดผุงไปตามบรรชาโดยเร็ว ตอนที่แงสายพูดเรื่องนี้กับคุณนะคุณถามมันหรือเปล่าว่ามันรู้มาจากไหนเชษฐถาหันไปสอบถามรพินผู้ยืนเฉยอยู่บ้างบัดนี้พรานใหญ่หน้าเสียลงถนัดเขายืนในอาการคอตกรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปล่าครับอ้าวแล้วทำไมไม่ถามไม่รู้เรื่องล่ะชายันรุกมาบ้างยอมพรานถอนใจเบาๆพร้อมกับครงสีสัน ผมไม่อยากจะซักถามอะไรมันในข้อนี้นครับยอมสารภาพว่าเป็นความผิดของผมเองที่เข้าใจว่าแงายทราบเรื่องนี้จากคุณหญิงหรือคณะนายจ้างของผมคนใดคนหนึ่งแล้วก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยครับแล้วเขาก็มองไปทางดารินพูดเสียงต่ําๆว่าคุณหญิงครับผมขออภัยครับดารินสะบัดหน้าหันข้างให้ซะมาริลรอบยิ้มอยู่ในแววตา แล้วทำเป็นเดินเข้าไปซักถามอะไรราชสกุลสาวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดารินกำลังขุ่นข้องหมองมัวระบายให้เพื่อนสาวต่างผิวทราบหมดว่าพรานใหญ่พูดอะไรกันหล่อนบ้างสติป <Stupid. S 1> ิดหลอนว่าหันไปชำเลืองดูพรานใหญ่พรางกระซิบยุ่งสมทำไมไม่ตกห้สักฉาบล่ะดารินเพิ่งจะรู้สึกตัวเองว่า นี่หลอนหลวมตัวอะไรลงไปเสีแล้วละกระมังเลยนิ่งเฉยจัะหล่อนอยากจะตบให้สักฉาดเหมือนกันแต่อยากตบมาเรียซะมากกว่าไม่ใช่คิดจะตบเขาคนนั้นหรอกดูทีหเหลี่ยมครูสําคัญนะักเผลอตัวหน่อยเดียวเนื้อแม่เข้าให้เสีแล้วนี่เห็นหมอดารินเป็นคนปัญญาอ่อนไปแล้วหรือไงประดี๋ยวเฮอะไม่รู้จักแม่เสีแล้วตลอดก็พูดอะไรไม่ออกในภาวะที่เพื่อนสาวต่างผิว กำลังทำเป็นรูปหน้ารูปหลังแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ็บร้อนแทนเช่นนี้จะทำได้ก็เพียงสะบัดแขนออกเดินปองปอ ง, ปองพระหางวงออกไปอีกนั่งระบนขอนไม้เอามือวางบนเขา่ารองรับคางไว้ไม่มองหน้าใครสักคนแต่หูก็ยังสดับฟังว่ากลุ่มนั้นยังพูดอะไรกันอยู่บ้างครู่เดียวร่างโยงใหญ่ของเจ้ากะเหลี่ยงพนเน จ, จร ก็เดินตามหลังเสยขึ้นมาด้วยสีหน้าสงบเยือบเย็นอันเป็นบุคลิกที่ทุกคนเคยเห็นอยู่เป็นปกติผาทางไม่รู้อินโนยอินเนต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นภายในแคมป์ระหระว่างเกิดเหตุตนเองไม่ได้อยู่ด้วยพอผลพล้นสันเนินขึ้นมาเชษฐาก็โบกมือเรียกโดยเร็วแง่ช า, ายสาวเท้าเข้ามาหยุดยืนสำรวมนิ่งอยู่ตรงหน้าของทุกคนมาเรียนรอบอุมยิม้ม แล้วแกล้งมองไปทางอื่นจ้ะระพินเองก็ไม่ปรารถนาจะหันไปมองเพราะความหมุดหงิดเดือดดาลใจเหลือที่จะกล่าวแบบนี้เ็าพอจะเดาอะไรได้แล้วไอ้ตัวยุ่งเขาสะบดอยู่ในใจพอฟื้นขึ้นมาก็ก่อความยุ่งยากแก่เขาเขาให้อีกนะแต่มันก็เป็นความผิดของเขาอยู่เองเหมือนกันที่ไปหลงโทษน้องสาวของนายจ้างด้ลืมนึกถึงความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเขาก็น่าจะสำเนีจอได้อยู่แล้วมีอะไรที่ผมจะรับใช้เจ้านายได้ครับเสียงลึกเอ่ยถามขึ้นทันทีที่ก้าวเข้ามาถึงชัยันแม้จะหัวเสียอยู่เช่นกันก็ตามพอมองเห็นหน้าตายของเจ้าคนใช้อาสาสมัครก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้อดีตนายทหารปืนใหญ่บัตรนี้ก็ฉเฉลียวคิดเท่าทันเช่นเดียวกับพรานใหญ่ระพินเหมือนกันมีมากที่เดียวไงทาย ท่านหัวหน้าคณะพูดเสียงเก้าวจ้องหน้าขมิงฉันอยากจะรู้ว่าแกรู้ถึงแผนการเดินทางโดยละเอียดของเราได้ยังไงใครเป็นคนบอกแกแงซ า, ายมีข้าวชะโงนนิดหนึ่งผ่านไปในความรู้สึกอย่างรวดเร็วแสดงออกโดยแววตาหันหน้ามองคนโน้นทีคนนีท้ทีแล้วแลไปยังพรานใหญ่ระพินไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นไม่หันมามองด้วย หาแต่สุดตัวลงไปนั่งที่ก้อนหินก้อนหนึ่งใกล้ๆกับที่ยืนอยู่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันลึกปล่อยหน้าที่การสอบสวนให้เป็นของนายจ้างของเขาแผนการเดินทางเหรอครับเจ้าคนใช้พิเศษทูลคำช้าเออเช่ดถากระชากเสียงหนักๆเนินเล็กๆ ล, ลูกหนึ่งในวงล้อมทิวเขา พระศิวะซึ่งแกรู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปให้ทันในวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองที่กำลังจะมาถึงนี่สิ่งเหล่านี้แกพูดกับพรานใหญ่ไว้เมื่อคืนฉันอยากจะรู้ว่าแกรู้มาจากใครแง่าสายขยับปากแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยคำใดออกมาชายันผู้รอคอยจังหวะอยู่แล้วก็พูดแทนดักคอขึ้นช้าๆแบบลากเสียงว่า เมื่อคืนนี้ผมนอนหลับฝันไปฝันว่าพระธุดงองค์ที่ท่านเลี้ยงผมมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วชัยยันก็พยักหน้าชี้มือไปที่ระพินบอกว่าอ่ะไหนช่วยเล่าต่อนอยสิผู้กองแง่สายอ้าปากค้างแล้วค่อยๆหุบลงพร้อมกับยิ้มแห้งๆ ย, ยอมพรานหงุดหงิดจนไม่มีอารมณ์จะเล่นขันกับชัยันถูกลนะ้ ชา ย, ยันก็เท่าทันเจ้าแง่ายเช่นเขานั่นเองเขาเด็ดใบไม้จากกิ่งเล็กๆที่ถือแกว่งอยู่ในมืออย่างปราศจากความหมายคว้างลงกับพื้นส่วนดารินเพิ่งจะไหวทันขึ้นมาได้เมื่อได้ยินชา ย, ยันดักคองแง่ทายพลันนึกไปถึงเหตุการณ์ครั้งเก่าๆที่เคยร่วมกันมาและทั้งๆที่ยังขุนข้องขับเคืองอยู่หล่อนก็ไม่ไวยปล่อยคิกออกมาแล้วหันหน้าไปต้อนหัวเราะทางอื่น เชษฐาเองก็เช่นกันท่านหัวหน้าคณะทำหน้าพิกลมองหน้าชัยยันมองหน้าระพินและท้ายสุดแง่ า, ายผู้บัตดนี้วางสีหน้าเซ่ออะไรกันนี่ชัยันแกมาทำตลกอะไรฉันไม่เข้าใจเลยก็ไม่ตลกนักรอกเอาละแกลองถามมันดูใหม่อีกทีก็แล้วกันดูทีมันจะตอบเหมือนกับที่ฉันตอบแทนให้มันไปเมื่อกี้ไหม มันอ้าปากฉันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันจะพูดอะไรนายทหารเป็นคนฉลาดก็เลยอ่านใจผมได้ถูกอ่านทะลุเข้าไปถึงความจริงเจ้าคนลึกลับพูดหน้าตาเฉยสำรวมลงตามเดิมไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิ้นซ่อนแววขันไว้ในดวงตาอย่างเรนลึกถูกแล้วนายใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้โดยที่ไม่สมควรจะรู้ผมรู้มาจากความฝันผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่แต่มันก็ตรงกับแผนการของผู้กองที่วางไว้แล้วผู้กองรู้จักรายแทงแต่แง่สายรู้จักความฝันอ๋อแล้วความฝันนะ่ะบอกแกได้ด้วยหรือเปล่าว่าเช้าวันนี้แกมีหวังถูกเติยชยันถามปนหัวรอฮือมาโดยเร็วแต่เชิดเ้าบวกมือ เหมือนจะให้สหายของเขาสงบปากคำในเรื่องพูดไร้สาระซะคงจ้องตาคนใช้อาสาสมัครนิ่งเช่นนั้นนายหญิงหรือนายแหม่มไม่ได้บอกแกเรื่องนี้หรอกนะนายหญิงกับนายแหม่มไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมครับดีมากแง่ายถ้างั้นก็บอกแรนใหญ่เขาเสด้วยว่าเธอรู้แผนการของเขาเธอรู้แผนการเดินทางของเราครั้งนี้ด้วยตัวเธอเอง ชั้นหรือใครในพวกเราก็ไม่ได้บอกกับเธออย่างที่เขาเข้าใจเลยได้รินร้องออกมาดังๆอย่างเจตนาจะกระแทกกระทันไปถึงคนที่นั่งปวดหัวซึมอยู่รพินไพรวันผุดลุกขึ้นยืนโดยเร็วไม่ต้องบอกก็ได้ผมได้ยินแล้วและอีกครั้งหนึง่งที่ขออภัยต่อเจ้านายของผมทุกคนในการที่คิดงงๆไปเช่นนั้นแล้วเขาก็เดินเข้ามาหยุดยืนอย่ตรงหน้าของแง่าย มองตาพลางหัวเราะเฮ่เซาทายฉันก็เป็นคนขี่ฝันเหมือนยังแกเหมือนกันเมื่อคืนน่ฉันฝันว่ะไอ้คนลึกลับที่ฉันช่วยชีวิตมันไว้ทันทีที่มันฟื้นขึ้นมามันจะก่อความยุ่งยากลำบากใจให้กับฉันแล้วมันก็เป็นความจริงจบคำพูดจอมพรานก็เดินพระจากวงนั่นไปทันที ดารินทะลันปลาจากที่นั่งเข้ามายืนอยู่ข้างแแฮซายตะโกนไล่หลังไปว่าคนพานไม่หยุดความผิดของแแฮซาสักนิดที่ตัวเองไม่ถามไม่รู้เรื่องซะก่อนแล้วพาโลไปโทษคนอื่นนี่ขนาดรู้ความจริงนะว่าตัวผิดอย่างนี้แล้วยังไม่ยอมเป็นสุภาพบุรุษอีกไปเข้าป่าไป